เริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกๆ ท, ท่านวันนี้เราก็กลับมาพบ ก, กันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาสนทนารามถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามมาคุยกันได้ท่านแรกก็คือเป็นพวกเด็กๆ ออยู่ที่โตเกียวชื่อว่าเด็กนักคุ น, นคุณกราบน้อมักการพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบนมนสักการกูเจ้านีงไง <c oughs> เป็นเด็กดีไหมโซนไหมวันนี้ไม่ไม่โซนเหรอครับไม่ไม่โซนครับอ่าดีนะอย่าทำให้แม่ต้องร้องไห้นะอย่าทำให้แม่เขาต้องเหนื่อยนะ หมครับท ำ, ทำตัวให้เรียบร้อยแล้วจะมีแต่คนรักคนชอบนะถ้าสอนแล้วคนคเขาไม่ชอบนะเระใจในนะครั บ, บคนดีคนเรียบร้อยเป็นคนดีจะมีแต่คนรักคนชอบคนสอนนี่ก็ไม่มีใครก็ชอบใน่ไ อาจารยคะอ๋อดีอยูไม่ชนใช่ไหมคะโอเคไหว้พระแล้วก็นั่งสมาธิสี่ห้าวินาทีทุกวันเลยคะ่ะพระอาจารย์เออดีฝึกทำไปเด็กๆสอนง่ายไม้อ่อนดัดง่ายาไม่แก่ดัดยากเดี๋ยวยิ่งโตแล้วยิ่ยงสอนยากตอนนี้สอนได้รีบสอนเลย yeah. เออขาตองพุโทโธธรรมสังควที่พระอาจารย์สอน <laughs> ทุกวันก่อนนอนเลยคะ่ะเออดี ไปเพิ่มไปเรืเร่อยๆทีละเล็กทน้อยตามกําลังของเขาอ้าพระอาจารย์กลับขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะอ่ามีอะไรไหมอ๋ออาทิตย์นี้ตัวตัวหนูเองมีโทสะเข้าข้อ ง, งําสติตามไม่ทันครึ่งมารู้สึกตัวเองตอนที่มันมัน มันมันมันโมโหมันระเบิดไปแล้วอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แต่ก็ต้องมาตามนั่งคองก็ยังดียังมีสติรู้ว่ากำลังโกรธและรู้วิธีแก้ก็ยังไม่เสียหายมากนียัาปล่อยให้โกรธจนระเบิดไปไปพูดทางทางวาจาไปกระทําทางกายซึ่งจะเกิดความเสียหายตามมาค่ะพระอาจารย์โทรศัณนี้มันมาปุ๊บ แล้วมันค่อนข้างห้ามยากมากเลยนะคะพระอาจารย์มันก็เกิดจากความอยากของเราไม่ใ่เหรอคะค่ะอยากให้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้เ่อมอมันไม่ไม่ได้ไม่ได้หรือว่าไม่เหมือนที่คิดที่รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นมันก็เลยทำให้เราไม่สุขใจใช่ไหมคะใช่นําคุณหยุดเดี๋ยวนี้นะคะต้องหัดโอเคครับต้างหัดฝยินดีตามม่ตามเกิดพระเจ้าบอ ของอย่างมันเป็นของของธรรมชาติเราไปสั่งมันไม่ได้ค่ะแล้วก็เลยมานั่งคิดว่าโอสาเหตุอันนี้ก็เป็นอันนึงหรือเปล่าที่พระทุดงหรือว่าพระสมัยก่อนต้องออกป่าไปปีกวิเวกอยู่จะได้ไม่ต้องเจอใครไม่ต้องเป็นการเป็นการร ะ, ะงับ เหตุไม่ให้มันเกิดด้วยวิธีหนึ่งหรือเปล่าคะแบบไมบ่พอไม่เจอใครไปอยู่วิเวกคนเดียวมันก็จะไม่มีเหตุที่จะมากระตุ้นให้เรามีโทสะโมหะต่างๆอ๋ออันนั้นไม่ได้เป็นเหตุหลักรกเหตุหลักท่านต้องการจะไปหาที่สงบสร้างสร้างสติสร้างปัญญาขึ้นมาอ่แล้วพอท่านมีสติมีปัญญาท่านก็สามารถควบคุมความอยากได้ท่านก็อยู่ที่ไหนเจอใครก็ไม่เป็นปัญหาอะไร คือต้องควบคุมมันให้ได้ก่อนใช่ไหมคะใช่แล้วควบคุมไม่ได้หนีไปเดี๋ยวกลับมาก็เจอมันก็เหมือนเดิมใช่ค่ะพายายามค่ะแต่ก็ดีกว่าเมื่อก่อนมากเลยค่ะที่ถ้าเมื่อก่อนก็คือว่าไม่รู้ตัวเองเลยว่าเราระเบิดไปแล้วมันจะยังไงต่อคือไม่มีจุดสต็อกอะค่ะแต่พอเราเริ่มรู้สึกเออกลับมาได้สติส ต, สติดีที่เมืม่อวันพุธ ทุกๆอาทิตย์หราก็ได้มาจูนเหมือนว่าปรับคลื่นใหม่ให้ให้สติมันมาอยู่กับเนื้อกับตัวใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะกขอบอคุณพระอันมากมากเลยค่ะต้องใช้ปัญญาว่าทุกอย่างเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของเราไม่แต่โูกเราเนี่ยเราบางทีก็ควบคุมไม่ได้อันนี้นตัวตัวปัทุเลยไปไปป้องกันให้เขาไม่เจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือเปล่า ใช่ไหมคะถึงเวลามันจะเป็นมันก็เป็นมันเรื่องของธรรมชาติทั้งนั้นนะค่ะคราวนี้ที่ที่มีโมหะโทสะเกิดขึ้นมาเพราะว่าพยายามที่จะปกป้องเขานะคะก็เลยเาจากจากคนอื่นนะนะคะคือมันมีวาจาอะไรหรือว่ามีความคิดอะไรที่ที่ไม่ค่อยดีกับเูาของเราเราก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะต้องปกป้องแต่มามคิดอีกที ม, มันถูกหรือเปล่านะอืม โอเคนะนี้นะพยายามมองทุกอย่างเป็นอนัตตานะเรา ก, ก็กลมกลอครับนะอย่าไปหวังอะไรจากสิ่งตา่างให้เป็นตามมีตามเกิดไปแล้วเร า, ราจะสบายใจจะพยายามค่ะน้อมนำไปใช้ค่ะสวนมนต์แล้วก็นั่งสมาธิทุกวันค่ ะ, ะอาจารย์กราบขอบพระคุณค่ะโอเ ค, คไปที่จมามรจัตติศีลชา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 เราจะะเว้นเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดลาจกของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรมกรมเป็นผู้ให้ผล ม, มีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพึ่อ ง, งาศัยเราทำกรรมันาดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลผลกรรมนั้นๆสืบไป เราทั้งหายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกคนทุกคนถิดเรเราพิจารณาหร้อยังพิจารณาพิจารณาอยู่ครับแล้วเป็นยังไงยอมรับได้ไหมเริ่มยอมรับได้แล้วครับอ่ต้องรับนะเพราะมันมันต้องเกิดแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้<ต>ถ้าเราไม่รับเราก็จะทุกข์ถ้าเรารับเราก็ไม่ทุกข์อืม โอเคแล้วร่างกายเราเป็นไงสวยงามไหมมีอะไรบ้า ง, ม, งา ม, มีผมขนเล็บฟันหนัง<ม>เนื้อเอ็นกระดูกเยื<ม>่อในกระดูกม้ามหัวใจตับทังผืชไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะ น้ำดีน้ำเสเลน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมะเหลวน้ำลายน้ำหมูน้ำไข่ข้อน้ำมูดน้ำน้ำมูดน้ำไข่ข้อน้ำหมูน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหือน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสเล น้ำดีเยื่อในสมองสีสะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืนตับหัวใจ ม, ม้ามเลี่ยนกระดูกกระดูกเอนเนื้อหนังฟันเล็บหัว่นแล้วมีตัวเราอยู่ในนี้ไหมไม่มีครับแล้วตัวเราอยู่ที่ไหน Man, เป็นอินดิวร์แนอยู่คนละกันใช่ไหมกเลยอยู่ในโลกทิพย์นะอยู่โลกติดกับโลกโลกของร่างกายแต่อยู่คนละโลกกันค่ะถ้าเกิดโลกนี้เป็นอะไรไปเราก็ยังอยู่ต่อไปได้เข้าใจไหมเข้าใจค่ะคุณถ้าเกิดโลกนี้ไม่มีแสงอาทิตย์ไม่มีสิ่งที่จะทําให้เราอยู่ได้ทุกคนตายหมดก็ตายแต่เฉพาะร่างกายที่มีอาการ12เลยนะครับ แต่เราไม่ได้อยู่ในโลกนี้เราไม่ได้อยู่ในร่างกายะเราไม่ได้เราอ ย, อยู่ในโลกโลกติดกันก็เรียกโลกทิพย์โลกทิพย์ ก, กับโลกกท่านี่คนละโลกกันครับดงนัเราไม่ต้องไปตื่นเส้นตกใจกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกเนี้มันเป็นธรรมดามีเกิดแล้วก็ต้องมีดับครับ<อ>ร่างกายก็เหมือนกันเกิดแล้วก็ต้องดับ เราทำใจให้สงบให้นิ่งแล้วเราก็จะปลอดภัยฝึกสตินั่งสมาธิไว้นะแล้วเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรกับร่างกายของเราเราก็เฉยเฉยไปได้เลยเข้าใจนะเข้าใจคับโอเคมีคำถามอะไรไหมไม่มีแล้วครับไปที่ตะวันที่ฮอลแลนด์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค ยังไงตะวันเมื่อี่ท่องตามแล้วเปล่าอาการหายไปสอง check up อ่าท่องอยู่นะออืครับไม่ใช่ตัวของตะวันนะตัวตะวันไม่ได้อยู่ในร่างกายนี้นะหลวงตะวันอยู่อีกโลกหนึ่งหมือเนี้ยเราอยู่ที่เมืองไทยตะวันอยู่ที่ฮอลแลนด์อยู่คนละที่กันใจของใจของตะวันกับร่างกายของตะวันก็อยู่คนละที่กัน เช็ค sure, ครับงั้นไม่ต้องกลัวร่างกายเป็นไรก็ดูแลได้ก็ดูแลไปดูแลไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันมีคําถามอะไรไหมปะเออวันนี้ไม่มีคําถามครับแล้วคุณแม่ล่ะมีไหมอ่ามีค่ะพระอาจารย์ก็คือโยมพอดีโยมไปทวนเรื่องมัคมีองแปดนะคะแล้วก็เห็นขึ้นมาว่าข้อหนึ่งก็คือสามาทิฏฐิ พระพุทธเจ้าท่านวางสมาธิทิฐิไว้เป็นอันดับแรกเลยนะคะก็คือผู้ที่จะต้องการหลุดพ้นนะคะจากวัฏจัสงสารนี้ก็ควรที่จะมีสิ่งนี้เกาะเป็นอันดับแรกใช่ไหมคะพระอา <c oughs> ะจารย์ก็ต้องรู้มา <c oughs> ว่าเราไม่สบายไงถ้าเรา <c oughs> ถ้าเราไม่รู้ว่าเราสบายแล้วไม่สบายเราก็ไม่รู้จะทําอะไรใช่ไหม <c oughs> เราต้องรู้ว่าพระ้บอกใจของพวกเราไม่สบายใจของวเราทุกความทุกข์ของเราเกิดจากการมาเกิดแก่เจ็บตาย ในเหตุที่พายมาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากต่างๆแล้วก็เหตุที่ทําให้เราทุกนอกจากความอยากแล้วก็คือการทําบาปทําบาปเราทุกข์ไหมไม่สบายใจใช่ไหมอ่นี่คือสิ่งที่เราลองดูเบื้องต้นมานี่แหละคือปัญหาของพวกเราคือหนึ่งความอยากสองการทําการทําบาปอืม เราต้องมาหยุดสองตัวนี้หยุดความอยากปหยุดการกระ ท, ทําบาปเราก็จะไปสู่ความคิดคิเทียบาะบาปคิดจะที่จะชําระใจให้สะอาดบริบรสุทธิ์ก็นําไปสู่การรักษาศีลการไม่กระ ท, ทําบาปทางกายทางวาจาแม้ทางอาชีพสมมาอาชีพอแล้วก็ชําระใจด้วยการเจริญสัมมายาโม ความเพียนเพียนละเพียนจลาจลอะไรเพียนจลาสติเพียนจลา ส, สมาธินถ้าใจมีสติมีสมาธิใจก็จะหยุดความอยากได้หยุดการกระทำบาปได้จบอันนี้นี่หนะ้าที่ของเราคือตอนนี้เรามีสิรรกกได้อย่างเราระคาญการทำบาปได้หรือยังได้แล้วเราทําใจให้สงบได้อย่างนิ่งเฉยไดย้เราไปทำสองอย่างนี้ ทำได้ก็จบปัญหาทั้งหลายก็หายไปหมดความทุกข์ที่เกิดจากการทําบาป ก, ก็ไม่เกิดเพราะเราเลิกทาบาปความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆก็ไม่มีเพราะเรามีสติมีสมาธิหยุดบรรได้เราก็ไม่เกิดไม่ต้องกลับมาเกิดกาเจ็บตายต่อไปปัญหาก็จบไป พระอาจารยพระอาจารย์แล้วก็อย่าเวลาที่ใจมันมันเริ่มสงบมันไม่ฟุ้งเนี่ยก็คือว่าที่โยมเข้าใจก็คือต้องอสังเกตใจตัวเองใช่ไหมคะว่ากระแสะใจของเราเนี่ยมันไปนยึดเกาะอยู่กับสิ่งใดหรือเปล่านะคะว่าจะเป็นพวกทรัพย์สินหรือว่าร่างกายปุพันธุ์รักร่างกายหรือว่าเป็นสามีภรรยาลูกอะไรแบบเนี้คะ่ะพระอาจารย์นั่นแหละก็ลองดูว่าเราไปไปติดหรือเปล่าไปยึดไปติดหรือเปล่า ยอมถ้ามันจากออกไปเราจะรู้สึกเสียใจหรือเปล่าคือมันจะเป็นตัวกอบภพเลยใช่ไหมคะตัวนี้ตัวน่ากลัวเลยใช่ไหมคะพระอาจารย์เมื่มันติดมันก็ทำให้เกิดความอยากอยากให้มีอยู่กับเราถ้ามันมันหายไปแล้วก็วิ่งไปตามหามันในพบหน้าชาติหน้าเพราะยังอยากตรงนั้นอยู่อ่ะยังอยากในราบยศสรรเสริญมโชคยัง ต้องตัดหม ด, ต, ด, มมดะะมตัดความอยากในโลกธรรมราหมยสละเสริมสุขตัดความอยากในรูปฌานและรูปฌานอันนั้นเป็นความอยากที่ละเอียดต้องละกามให้ได้ก่อนตัดความอยากโดยอาศัยฌานเป็นเครื่องมือช่วยใช้สมาธิช่วยแต่เมื่อละกามได้แล้วเราก็จะมาติดสมาธิก็ต้องก็ต้องตัดความอยากในสมาธิ อ่ะพอาจารย์อแล้วอย่างพระโสดาบันนี่ท่านออสมาธิจะนําปัญญาหรือว่าปัญญาจะนําสมาธินะคะพระอาจารย์อ๋อปัญญานําสมาธิแต่ปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นเครือ่องมือค่ะปัญญาบอกว่าอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วจะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายของร่างกาย จะหยุดได้ก็ต้องมีสมาธิมีอุเบกขาเจ้าค่ะอันนี้หยุดได้ไหมหยุดไม่ได้ยนะังอย่างยังอย่างไม่แก่อย่างไม่เจ็บอย่างไม่ตายอยูอ่ใช่ไแล้วทุกข์ไหมเวลาคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายถ้ามีอุเบกขาแล้วก็ไม่ทุกข์เฉยๆห้ามได้ปะห้ามความแก่ห้ามความเจ็บห้ามความตายได้ปะอมันเป็อนอนัตตา อยากก็ยังไม่แก่มันก็มันก็แก่อยู่นีอยากไม่เจ็บมันก็เจ็บอยู่ดีอยังไม่ตายมันก็ตายอยู่ดีแล้วไปอยากให้มันทุกไปเปล่าทําไมไม่เกิดประโยชน์เลยสู้ไม่อยากไม่ดีกว่านะยสู้เฉยๆไปไม่ดีกว่านะยังไม่อยากเหี่ยวค่ะพระาอาจารย์อไม่อยากผิวเ ป, ปล่งปลั่งค่ะพระอาจารย์กับ อ, อ, อยากอยากมีตังค์เยอะๆค่ะพระอาจารย์หมอศัลยกรรมมันมีอาชีพหากินะ ฉีดนู่นฉีดนี่ไปเรื่อยๆโอเคเข้าใจยังข้าใจเอาตอนนี้ละหมดแล้วใช่ไหมจะได้ไปทันบ์ไปที่ต อ, นะอนนี้ไปที่คุณหมอก่อนคุณหมอไม่เช่อมีคำถามดีๆต่ อ, อครับเปิดไมโครโฟนกันคุณหมอยังไม่ได้เปิดไปอั เปิดแล้วครับอาาพูดได้เลยกล่าวลงมสดการพระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายสิ่งวิเศษที่พระพุทธเจ้าส่งคนพบครับพระอาจารดดย์ก็นะก็คือวิธีรักษาใจให้เราหายทุกเนี่ยเหมือนคนถ้าคนไหนสามารถหาวิธีรักษาโรคอะไรได้คนนั้นจะต้องเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกขึ้นมา ท, าทันทีใช่ม อลองใครเป็นคนพบวิธีรักษาโรคอะไรเงี้ทุกชนิดดูเลยโอ้ยไมีแต่คนที่จะมาขอฤกษ์ศิษย์ขอเช่าฤกษ์ศิษย์ขออะไรไปอย่างพระเจ้านี่ท่านเมตตาท่านไม่คิดเงินใครจะมาขอวิธีรักษาโรคใจท่านก็ให้ฟรีเลยเนีย่ยอริยาาสัจสี่ก็คือสูตรรักษาสูตรที่บอกเขตุของโรคของใจคือความทุกข์ว่าเกิดจากอะไร แล้วก็วิธีรักษาโรคของใจรักษาได้อย่างไรก็รักษาด้วยมารแปดตอนต้นก็บอกโรค ก, ก่อนโรคโรคของใจก็มาจากการแก่เจ็บตายการเกิดแก่เจ็บตายแล้วเหตุที่พาให้มาเกิดแก่เจ็บตายก็คือความอยากอืมอยากหนาะความสุขทางตาหูจมูกนิ้นนกกก Big, กวกายแล้วก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายพอเกิดแล้วก็อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บไม่ตายมันก็เลยทุกข์ เพราะอยากจะหให้ทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากเหล่านี้อย่าไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากเสพอย่าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายวิธีจะทําให้หยุดความอยากได้ก็ต้องมีมากแปเนี่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะปลไปถึงสัมมา ส, สัมมาธิถ้ามีสั ม, มาสัมมาทิฏฐิจิตก็จะมีโอเบขาอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อนกับความแก่ความเจ็บความตาย ก็หยุดความอยากได้หยุดความอยากได้ทุกข์ก็หมดไปในใจหายจากโรคภัยโรคทางใจหายไปหมดแล้วเมื่อไม่มีความอยากก็จะไม่กลับมาเกิดแต่เจ็บตายต่อไปแก้ปัญหาแบบเบ็ดเซร็จที่มันค้างมาเป็นเวลาแสนกลับแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยยังไม่รักยังรักษาโรคนี้ไม่หายสักทีมาเกิดอีกแสนกลับแล้วใช่ไ้ม แล้วก็น้ำตาที่อยากจะรู้ว่าเกิดมากี่ชาติจะเอาน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละชาติมารวมกันหนึ่งถ้านบอว่ามันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือวิธีรักษาโลกของเรารักษาไงก็ไม่หายสิเกิดมาทุกคนเขาพยายามหนีความทุกข์กันใช่ไหมพยายามรักษาคว า, ามทุกข์กันต่างๆแต่รักษาไม่ถูกวิธีสิเหมือนรักษา ล, ลงมาเรลยทุกวันเนี่ยคนคว้ากันหาอยู่น่นน่ะจะรักษาลงมาเลงให้มันหายได้ยังไงทำให้มันไม่เกิดขึ้นมาได้งไง ยังว่ายังยังคนไม่พบเลยใครลองคนพบดูดียวเพราะนั้นรับประกันได้เป็นมาหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนะแต่พระเจ้าท่านเป็นคนที่ท่านไม่หิ ว, วเงินเห็นทองเพราะว่าจิตของท่านเมื่อได้เมื่อเห็นธรรมแล้วจิตของท่านได้ความสุขเหนือกว่าความสุขที่ได้จากเงินทองท่านก็เลยไม่มีความอยากได้เงินทองเพรเห็นว่าเงินทองก็เป็นกองทุกข์อีกกองหนึ่ง อัานก็นไม่คิดเงินคิดทองใครอยากจ่ายไปตั้งแต่วันแรกที่แสดงธรรมมาสี่สิบห้าปีไม่เคยคิดเงินทองใครเลยเรื่องการแสดงธรรมวลาสี่สามสี่รอบนี่เงนแล้วปรากฏคนรักษาหายโรคนี้เป็นจำนวนมากจนถึงปัจจุบันนี้สองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วมีเศร์รักษาโรคนี้อย่างอย่างใช้ได้ผลอยู่อาการลิโก แต่คนที่รู้จักวิธีเหล่านี้อาจจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ยมีพวกเราเนี่ยวงเงนน้อยเนี่ยที่ยังหลงมาติดมาหลงมาพบกับคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเข้าใจความความวิเศษของของคำสอนว่าเป็นอย่างไรก็เลยให้ความสำคัญหวันศึกษามันปฏิบัติไป เดี๋ยวก็ได้ไม่ยากหลวงพูอจันรับประกันแล้วไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเด็ก็เจ็ดปีถ้าทําเต็มเต็มรูปแบบเต็มทําเป็นแบบมืออาชีพก็ต้องต้องทิ้งงานอื่นไปให้หมดไปบวชจะได้มีเวลาทําสร้างศีลสมาธิสร้างมรรคขึ้นมาสร้ามรรคแปดขึ้นมาทำมีรรคแปดก็สามารถระงับความอยากต่างๆได้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากความอยากก็หายไปหมด นี่แหละคือสิ่งของสิ่งที่วิเศษที่พระเจ้าสองคนพบที่ทรงตัดสิมก็คืออริยาาสัจสี่และตายรักตายรักมันก็มาด้วยกันต้องเห็นอันนี้ทุกอย่างว่าเป็นอันนี้จังทุกขังมนานตาเข้าใจนะมีอะไรไรรจมากขึ้นครับอาจารย์ขอบพระคุณสูงครับโอเคนะ อนี่ไปที่เด็กลำดับต่อไปคือเด็กชายสันโดษอันโดษกับคุณย่าคุณยายแต่วสการครับอาจารย์คุณยายวันนี้แข็งแรงนะใครชวนอ๋อนี่ใคชวนใครมาใครชวนใครมาอ่าคุณยายใจแตกครับอาจารย์ยูทูบก็เหงงองแงจะไปเที่ยวครับ <laughs> ยายก็ไม่ได้เป็นไรเลยค่ะอยู่บ้านคนเดียวทำก็ทํางานเดือนหนังสือการยายก็อยู่บ้านคนเดียวดีจะได้จะได้ภาวนาได้เยอะคร็นยังก็ภาวนาทุกวันเลยนะคะเที่ยวหาความสงบด้วยกัอย่าไปเที่ยวหาอย่างอื่นได้ไยมได้ความสงบแล้วมันจะอิ่มมันจะพอนะถ้าเที่ยวหาอย่างอื่นได้เท่าไรก็ไม่อิ่มไม่พอต้องเที่ยวหาอยู่เรื่อยๆ ก็พยายามยนะค ะ, ะ, ะ, ะครับอาจารย์อันนี้มาส่งกันบ้านเช่นเคยครับเรื่องแรกเรื่องรดน้ำหนักครับผมอาจารย์ลดลถไปได้สามโลครับอาจารย์ทำยังไงะบอกคนอื่นเขาจะได้รู้จากวิธีลด น, นะก็กิน ก็ถ้ากินก็กินในเวลาฮะไม่กินจุ ก, กินจิกว่าสมัยก่อนจะกินจุกกินจิกออานานก็ลดกันแล้วก็ครับจารแล้วในเวลานี้ก็ควรจะลดลงเดี๋ยวถ้าขึ้นดีไหมกกินก็ยิกินสองจาน <c oughs> ก็เอแค่จานเดียวครับก็ลอดอย่างนั้นและครับอาจารย์ก็พยายามทานตักเลือกข้าวให้น้อยลงเนี้ยครับอาจารย์บางมือถ้ามีผักก็เลือกทันผักมากกว่าข้าวครับอื <c oughs> แล้วก็ติดเสาร์อาทิตย์ครับเพราะว่าปกติอยู่โรงเรียนไม่ได้ไม่ได้จะไม่ได้จะเลือกได้นะฮะพอเสาร์อาทิตย์แล้วมันหยุดมันเลือกได้มันมีช่องโหว่ในการกินฉกกินจิกได้ครับอาจารย์อ่าก็ <c oughs> เราก็ <c oughs> ปฏิบัติมาได้ตั้งห้าวันแล้วอีกสองวันทำไมจะทําไม่ได้ที <c oughs> ่โรงเรียนมันไฟบังคับนะครับอาจารย์ว่าแบบเออมันมีเท่าเนี้ยคุณจะกินไม่กิน แต่ น, นี่คือที่บ้านคือเราบอกได้ว่าเออเดินไปซื้ออันนี้ที่ตลาดหน่อยได้เราก็ท<ล>ําไฟล์งครับของเราขึ้นมาเสร็จแล้วก็ห้ามเราเสร็จเราก็ทําเหมือนนที่เราอย้อนเนี้ยได้ค่ะอรย์ได้ครับผมเียวกับในฝึกแล้วก็ห้าโลอยู่ไม่ไกลครับอย่างว่าถ้าห้าโลสิบโลก็ทําได้ถ้าเธอทำจริงจริงถ้าสิบโลคงต้องแบบว่าถ้า ทานมือเดียวแล้วล่ะครับไมได้ก็นั่ปฏิบัติพ ร, ระพุทธเจ้าภูบาอาจารย์ท่านก็มือเดียวทท้งนั้นแหละทุดวงวัดฉันมือเดียวเป็นวัด ท, ท่านถึงบรรลุธรรมเลีไงท่านไม่ปติดกับอาหารเจ็บจีนอัน <า S 2> นี้นจะประมาณในการบริโภคอาหารมาตัตวัญญาโภชนะยังไงก็ ตั้งแต่เปลี่ยนเป็นชื่อสันโดดยินดีตามมีตามเกิดมาไลฟ์สไตล์ต้องเปลี่ยนครับผมอาจารย์จะบรรลุทรรแบบพ่อแม่ขวัญอาจารย์มันต้องมีอีกคำหนึ่งข้างข้างหน้าของสันโดดคืออะไรรู้ไหมอะไรล่ะครับอาจารย์คำนี่มาคู่กับสันโดดคืออะไรยินดีตามมีตามเกิดแล้วไม่มักน้อยออัน้อยสันโด<อ>นนโด<อ><อ>น้อยก็คือได้อบไม่น้อย ถ้าไม่พอก็ให้สันโดดได้นะถ้าได้ถ้าได้น้อยกว่าที่เรามากน้อยก็ให้ให้สันโดดให้ยินดีตามมีนำเกิดไม่ใช่สันโดดยินดีตามเกิดตอนที่มีมากมากๆ <c oughs> ต้อง <c oughs> ต้องมีมักน้อยมามาแก้ตัวสันโดดเนี่ยว่าเดี๋ยวพอวันไหนได้มากก็กินมากผมก็สันโดด <c oughs> ไม่ได้ถ้ามันอากินมากก็ต้องใช้มักน้อยมาแก้ เรือแม้สันโดษจะมันถึงแม้จะมามากก็มใช้สันโดษไม่ได้ต้องใช้สันโดษในการที่มันมีน้อยน้อยก่อน้อยอนะันั้นก็หลักสันโดษครับได้ได้ชื่อเพิ่มล อ, อ, องมักน้อยสันโดษมันไปคู่กันทำสองทางนี่เอาให้น้อยๆเอาให้พออยู่ได้กินเพื่ออยู่อย่าอยู่เพื่อกินเรากินเพื่อปฏิบัติธรรมไม่ได้กินเพื่อ เพื่อมาติดในการเวียนว่าตายเกิดแล้วก็มีอีกคำถามนึงครับอาจารย์คือตั้งแต่ฝึกปฏิบัติมามันมันเหมือนจะก้าวหน้านะครับอาจารย์แต่ว่าพอเราเป็นคนนั่งสมาธิมันกลายเป็นว่าพอเราหลุดโมโหมันโมโหร้ายมันรุนแรงกว่าตอนที่ไม่นั่งสมาธิอีกไม่ฝึกอีกอะ่ะ ผมก็เลยจะถามว่าใจอันนี้ผมไปผิดทางแล้วอาจารย์ทำไมมันอ า, ญญ า, าจารย์เราไม่มีปัญญาว่าจะไม่มีปัญญาบางนะทีไม่มีอะไรแน่นอนการปฏิบัติบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้ไม่ได้ก็ต้องศึกษาสาเหตุเกิดจากอะไรก็เกิดจากการไม่มีสติของเราเนั่นไอโมโหมันก็ไม่ได้ทําให้เป็นประโยชน์อะไรขึ้นมา เนี่ยสันโดษเนี่ยให้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดปฏิบัติแล้วผลได้ยังไงก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดไปมันก็ไม่โมโหครับอ า, าจารอย่าไปสันโดษที่เห็น <c oughs> เห็นต้องเห็นนี้ต้องมากมากไม่ใช่ม่กงน้อยด้วยการปฏิบัติที่ต้องมากมา ก, มมากด้วยปฏิบัติให้มากอืถ้าต้องปฏิบัติให้ถูกวิธีถูกก็แคต้องมีสติ ถ้าไม่มีสติปฏิบัติมากแค่ไหนก็ไม่ได้ผลเข้าใจนะวันนี้โชคดีมากเลยนะครับเนี่ยพระอาจารย์ที่เรามีเซ ส, สชันวันฟุตเนี่ยไม่งั้นผมหลงไปอีกนานเลยเดี๋ยวไม่ว่าจะหลงไปกับยินดีตามมีตามเกิดหลงไปกับไม่มีสติขาดปัญญาเนี่ยโอเคขบ ฝึกต่อไปนะอาจารย์ฝึกตลอดชีวิตเลยครับออขอบคุณค่ะออคขอพักผภาพแข็งแรงอยู่ให้เกินร้อยนะค่ะขอบคุณค่ะนนคท่านไปที่คุณฝนตอบคุณฝนกลับมาสักการพระอาจารย์่ะค่ ะ, ะเป็นยังไงมีอะไรมก จะกลับเย็นพระจานนะคะก็ยังคงนั่งสมาธิอยู่เหมือนเดิมอะคะ่ะเพียงแต่ว่าฟังจากที่ก่อนหน้านี้ที่ท่านแต่ละท่านคุยกันมาเนะะี้ยค่ะก็คือของตัวหนูเองเนียจะเป็นลักษณะเหมือนว่ามัน เหมือนที่พระอาจารย์บอกอยู่เสมอแล้วค่ะว่าถ้าเกิดสติไม่มีอะค่ะแบบนั่งยังไงมันก็จะจะไม่ค่อยสงบนะคะคือหนูก็พยายามฝึกสติในในทุกๆเช้าทุกๆวันที่ตื่นมาแต่ว่ามันอาจจะไม่ต่อเนื่องทั้งวันอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ทีนี้หนูก็เลยเวลานั่งสมาธิเนี่ยอพอหลังจากที่เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วฟังเนี่ยพระอาจารย์บอกว่าตอนที่สมัยพระอาจารย์จะใช้วิธีการสวดมนต์นะคะหนูก็เลยลองใช้วิธีนั่งสวด ท่องอิติปิโสไประหว่างที่นั่งสมาธิแบบเนี้ค่ะแล้วทีนี้ขณะท่องแล้วค่ะมันก็ยังมีบางช่วงที่เราแบบหลุดเผลอไปคิดเรื่องอื่นค่ะแต่ว่าคือเหมือนมันลอดลอดช่องออกไปได้อ่ะค่ะแล้วหนูก็จะพยายามกลับมาอยู่กับบทสวดมนต์ใหม่ซึ่งมันก็เหมือนว่าต้องมาเริ่มสวดมนต์เริ่มต้นใหม่เพราะว่าเราเผลอหลุดสติไปแบบนี้ค่ะพระอาจารย์ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะก็เป็นการรับโทษเนี่ยในการที่ไม่มีสติ ่ใชก็ถ้ายอมรับว่าอเราต้องพยายามให้มากขึ้นไปพยายามคอยสังเกตดูว่าขณะที่เราสวดเราเผอยแล้อไห ม, มถ้าเผยแบบสันน้นๆก็ยังดีวอาบางทีเผอยาวไปเลยก็ไม่ไม่ไม่ได้ถึงกับเผอยาวอะค่ะพระอาจารย์พิงแต่ว่ามันจะมันจะมีช่วงที่แบบหลุดรอดไปได้แบบหลายครั้งอยู่เหมือนกันแบบเนี้ค่ะแล้วทุกครั้งหนูก็จะต้องบอกตัวเองว่าครั้งเนี้ยหนูต้อง ต้องเอาท่องให้ได้จนจบแบบโดยที่ไม่เผลออย่างเงี้ยค่ะมันก็จะได้ไปแบบแล้วพอพอขึ้นรอบใหม่อย่างเงี้ยค่ะบางครั้งมันแบบอาจจะต่อเนื่องได้สักสองรอบเพรารอบพออิติปิโสรอบสาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบก็มีหลุดหลุดแบบไปอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องก็ต้องระวังว่าอย่าให้มันเป็นความอยากครับแล้วกันโดยต้องยอมรับว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีนะเพราะว่าเดี๋ยวก็ อยากมากๆแล้วมันจะเครียด ม, มันอาจจะโกรธมันอยากจะอยากจะเลิกทําไปเลยก็มีอ๋อค่ะค่ะแล้วก็พยายามพยายามไม่เถอแต่ก็ต้องยามรับความจริงว่าทภา พ, าพจิตของเราตอนนี้ยังอยู่แบบน้มนุกคลุก ค, กคาอยู่ก็ค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ใช้วันสองวันครั้งสองครั้งฝึกไปเรื่อยๆมันก็มันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆสติมันก็จะต่อเนื่องขึ้นไปเรื่อยๆ ทนยานเนเกิดจากการที่เราไม่ฝึกสติมาก่อนเ น, นใช่เจ้าค่ะใช่ค่ะ<ม>เป็นแบบที่พระอาจารย์บอกค่ะว่าแบบเราไม่ได้ฝึกสติให้มันต่อเนื่องมาก่อนนะคะพอเวลามานั่งก็จะมีปัญหาลักษณะแบบแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราพยายามฝึกสติให้มากขึ้น คือถ้าเป็นช่วงก่อนหน้าแน่หนูก็คงจะรู้สึกแบบรู้สึกไม่ค่อยดีกับตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะว่าเหมือนแบบก็มันเป็นความอยากแล้วก็ตําหนิตัวเองด้วยอะไรแบบเนี้ค่ะแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ก็ไม่ได้เชิงตําหนิตัวเองนะคะแต่ว่าเหมือนลักษณะว่าโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็ก็พยายามต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ดูผิดดูถูกไปค่ะคือประเมินตัวเองว่าแล้วเราทําผิดตรงไหนล้วทําถูกตรงไหนที่เราผิดเราก็แก้ไขไปมันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต้องมาโกรธไม่ต้องมาอะไรไม่ต้องใช้อารมณ์ค่ะใช้เหตุผลเดี๋ยวนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นแบบดีขึ้นพอสมควรจากเทียบก่อนหน้านี้อย่างเรื่องอารมณ์เรื่องความโกรธคะ่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกไม่หลังๆไม่ค่อยโกรดน้อยลงค่ะมนมีมุดหิดบ้างแต่โกรดน้อยลงเพราะว่าก็จะภาวนาเลยเดี๋ยวนี้จะรู้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็จะใช้วิธีแบบภาวนาลงไปเลยว่าพุโทโธพุโทโธไปเลยอะค่ะเพื่อที่จะเหมือนรู้ทันความโกรธเร็วขึ้นนะคะพระอาจารย์ พอดีพยายามเสรไปค่ะค่ะค่ะที่นี้ก็ไม่ไม่ได้มีคําถามมาคะพระอาจารย์ก็มารายงานกับเปลี่ยนพระอาจารย์เท่านี้อค่ะโอเคสาธุสาธุเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะอวามพยายามนี้นะความสําเน็จอยู่เช่นั้นนะค่ะอันนี้ท่องไว้เสมอใช่ไหมค่ะขอบคุณเจ้าค่ะไม่ท้อแท้ค่ะไม่ท้อเจ้าค่ะไม่ท้อค่ะขอบคุณค่ะที่คุณพิสติมานอนเมืองกลับนมาสการค่ะพระอาจารย์ วันนี้เข้าวานรับฟังธรรมค่ะเมื่อคืนนี้ไม่ได้เข้าเข้าไม่าเมื่อคืนนี้เมื่อคืนเมื่อคืนไม่ได้เข้าค่ะพระอาจารย์ใ่ ไ, ไหม่ะมีภารกิดค่ะก็คือมีเรียนภาษาจีนค่ะพระอาจารย์อ๋ อ, อเก่งนะพยันเรียนหลายอย่างเลยนะเก่งทางโลกของพระอาจารย์าทางธรรมยังไม่ถ็ไนไงเลยค่ะพระอาจารย์ก็ยังดีกว่าไปใช้เวลาไปกับการเสกรูปเสียงกินรถค่ะ โอเคพยายามฝึกสติไปเรื่อยๆได้ค่ะอาจารย์วันนี้หนูต้อไปกราบอาจารย์นะคะการเรียนก็ต้องใช้สติเหมือนกันไม่มีสติก็ชั้นเรียนไม่ได้สาธาจโอเคสาธาจพระ่สงแห่งแรงนะคะไปด้วยชายนาคคุณชาตกาเราฟังคะอาจารย์ค่ะตัวอย่างโอเคเรียบร้อยดีู้ต่อซื้อไม่มีปัญหาแน่ไม่มีค่ะเดี๋ยวนี้ นิ่งขึ้นเยอะค่ะค่ะอยู่ได้เพราะตังคนตังอยู่ค่ะตังนตังอยู่นี่อ่าค่ะพระอาจารย์คอจะถามมาค่ะที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเวทนาค่ะมันสุขแล้วก็ทุกข์แล้วก็ไม่สุขไม่ทุกข์อะค่ะอแล้วก็ทีเนี้ยลูกอะสงสัยว่าไอ้ไม่สุขไม่ทุกข์อะค่ะมันจะตรงกับไอ้อุเบกขาไหมคะ ที่เปรียเหมือนกันไม่ตรงหรอไม่ตรงไม่ตรงนะคะคืออย่างนี้ว่ายกตัวอย่างเวลาเราหิวข้าวมันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาใช่ไหมเวลาเรากินข้าวอิ่มมันก็มันก็เกิดสุ ข, ขเวทนาขึ้นมาแล้วเวลาที่เราไม่หิวไม่อิ่มมันก็เกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมามันไม่เกี่ยวกับอุเบกขาอุเบกขา<อ>คือเราเฉยหรือไม่เฉย ถ้าหิวเรา <c oughs> เราไม่เฉยเนี่ยเราวุ่นวายใจเนี่อันนี้ไม่มีอุเบกขาโอ๋ใชค่ะค่ะหรือว่าหรือว่าไม่ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ก็บางทีก็เกิดความวุ่นวายใจเบื่อขึ้นมาอย่างนี้ก็ไม่มีอุเบกขา <c oughs> ถ้ามีอุเบกขามันต้องเฉยกับทั้งสามสามอย่างเลยทุกทุกก็เฉยสุขก็เฉยไม่สุขไม่ทุกข์ก็เฉยเ น, นี่เป็นอุเบกขาก็ละเรื่องกันมันไม่มันไม่ใช่เป็นเวทนา อ๋อพระอาจารย์ลที่พระอาจารย์เคยเหมือนลูกลูกจําไม่ค่อยได้แต่ว่าเหมือนลูกไม่รู้ว่าลูกจําผิดเปล่าว่าเราน่าจะอยู่ในลักษณะความนิ่งๆจะสบายกว่าคือไม่ไม่ทุกนิ่งๆอะอันนี้มันนิ่งคือเราต้องเข้าใจว่านิ่งในใจและนิ่งในกายคนละเรื่องกันเนี่ยอคือนิ่งในใจเราคือใจเราเฉย แต่เรื่องกายเรื่องเรื่องฐานนี่ม <Becca. S 1> <tive connection. S 2> ันไม่เฉยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวไม่สุขเดี๋ยวไม่ทุกข์มันเปลี่ยนไปเราห้ามมันไม่ได้นิ่งมันไม่นิ่งที่เรานิ่งก็คือใจเราให้นิ่งไปกับมันให้เวทนานี้มันเปลี่ยนเหมือนฝนตกแดดออกอ่ะมันไม่นิ่งมันมันเหมือนเดี๋ยวมันฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อน อแต่ใจเราให้นิ่งไปกับมันอย่าไปวุ่นไวายไปกับมันเพาว่าอย่นี้ใจใจเราที่นิ่งนี่ก็คือ uh. เบ็ดข่าใช่ไหม uh, ครับใช่ใช่ใจที่เรานิ่งเฉยไม่วุ่นไวายไปกับเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโอ้ค oh, ่ะค่ะพระเจ้าเหมือนให้นิ่งกับแฟนเนี่ยวางแฟนเราบางวันอาจจะดีวันอาจจะไม่ดีเราก็เฉยๆไป <That. S 1> ไปล่อย้็ไปนั่นแหละนี่ก็ให้นิ่งกันคือใจเราค่ะ <c oughs> ค่ะก็น่าจะจะจะโอเคอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่านิ่งได้ได้หลายๆอย่างแล้วก็ แ, แล้วก็แบบค่ะพระอาจารย์ต่อก็มีเหมือนฝึกฝึกไว้ที่ว่าฟังฟัง่ะคะ่ะแล้วมันมีพวกคอเซนเตอร์อะค่ะพระอาจารย์โทรมาพอรับปุ๊บ ก, ก็ด่าเลยค่ะพระอาจารย์คือเขาด่าเรานะคะคนักว่าวฮูดเลยไปยังกันหมดเรื่อง พร้อมนะยังไม่ทันไรเลยค่ะอาจารย์แค่รับแล้วก็พอบอกว่าชื่อสธัธกกาไหมอย่างนี้ยค่ะคือปกติอลูกก็จะวางอยู่แล้วค่ะอพออันนี้ใส่มาเลยค่ะอีกตอนแหลงกลูกมันก็ไม่วางเฉยเยมันก้กองโกรธก่เฉลนะิไม่โกรธจะว่าอาจารย์ไม่โกรจะพูดไม่ได้ <ๆ S 1> ไ ง, ไง ไม่ไม่ไใช่ค่ะเขาด่ามาเขาด่ามาเลยอยู่อยู่ก็คือแค่ถามว่าแต่ก่อนนะคะเขาว่าก็ก็ก็คือวางคือถ้ามีอะไรก็คือค่ะแล้วไงคะแล้วก็วางแต่อีอันเนี้ยค่ะพอปุ๊บเขาด่ามาเลยค่ะว่าจารย์ แล้วก็แล้วก็ต้องสาธุกลับไปเถอะสาธุจ้ายังไม่ทันสาธุเลยต้วางแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะว่าอาจารย์โทรมาแล้วกลัวจะจะแบบเหมือนแลูกกำลังฟังเทพระอาจารย์นะค่ะแล้ววางไปเลยอะค่ะอาจารย์ขอบอาจารย์ฝึกมากดีค่ะอาจารย์เราต้องไม่มีอารมณ์ถ้ามีอุเบกขเราจะไม่มีอารมณ์โกรธไม่มีอารมณ์ เสีใจเสียใจเฉยๆลูกก็แค่ฟังเออเออก็งงงงแล้วก็เอออมยิ้มว่ามันก็แปลกๆดีก็กจังอาคาบอาจารย์โอเคคนระับอาจารย์นะใช่อุเบคขาไม่ใช่เวทนาไม่ใช่ไม่สุขไม่ทุกเวทนาคนละคนเรื่องกันอ๋อค่ะตอนแรกลูกงงงงตรงนี้หน่อยนึงที่ฟังฟัง อ, อ่ะเข้าใจละค่ะพระอาจารย์ okay. คุณอั on, ลลันนองเจนอันนี้ไปยุ่งกับใครก็ว่าไปอยากอะไรกับใครก็ว่าไม่มีค่ะพระอาจารย์ไปอยากอะไรกับใครเวล า, ะ จ, าะจะมาปุ๊บก็มาแล้วไม่ต้องไปอยากอะไรกับใครเขาไม่ได้อยากให้ความเห็นเราเราก็ไม่ต้องไปให้ความเห็นเขาเอา่าก็มันจะมันจะไม่มีอารมณ์มากระทบเลยลว่าอาจารย์พอเอาตรงเนี้ยมาวางว่าเราไม่ต้องไปอยากอะไร สมมติเขาอยากจะเสนออะไรมาเราเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คือหมายความว่าไม่ถ้าไม่ได้อยากได้ความเห็นเราก็แค่ลิงเฉเฉยรับรู้เฉยเฉยรับรู้เฉยเฉยไปขอบคุณไปใช่ค่ะรับรู้เฉยเขอบคุณไปแล้วก็มันก็มันก็สบายจริงๆนะพะะาจ้ามันเหมือนไม่มีมไม่มีอะไรมารบกวนให้เรารู้สึกขุนโมหรือแบบเอ้ยทําไมเขาไม่อย่างนั้นทําไมเขาไม่อย่างนี้ไ ม, ไม่ไม่มีจริงๆเลยตรงนี้แบบ รู้สึกว่าใช้แล้วเหมือนว่าเราเราพิจารณาตรงนี้อยู่ตลอดเวลามันทําให้ใจสบายมากๆจริงๆคือพมันมีความอยากใจมันก็สงบใช่ค่ะหรื อ, อกระทั่ไ ง, งมไม่อยากอะไรเงี้ยเหมือนกระทั่งกาดความบักไม่อยากอะไรเงี้ยพอเราไม่มีมัน ก, มนก็มันก็ไม่ไม่ใจมันสบายจริงๆคะเหมือนว่าถึงความต่างมากกับ ก่อนจะมาจะเอาตรงนี้มาพิจารณาแล้วเรามาใช้ในทุกๆวันอาจารย์แต่ก่อนยังรู้สึกแบบเอาแลพาะพอเราแบบนี่ทำไมเขาไม่อย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหขุห่นมัวแต่ว่าตั้งแต่เข้ามาแบบได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์แล้วปตกผลิตตรงนี้คนําไปใช้ในทุกๆวันอ<ม>ใจสบายมากๆมากๆสงบจริงๆนะใช่<ห><ม>ค่ะพระอาจารย์เคยพูดถึงเรื่อง พระอาจาร ก, ก็จะบอกอันนี้มันยังเป็นกิเลสอย่างยาพระอาจารย์พูดกับคาหนึ่งว่าต่อไปให้ดูเรื่องกิเลสอย่างละเอียดก็เลยเกิดคําถามว่ากิเลสอย่างละเอียดคืออะไรครับอาจารย์อ๋อมัน อ, อ, ยอย่างยากว่าเกิดของภายในนะอย่างกลางก็คือร่างกายของเราอ่าอย่างละเอียดก็คือจิตของเรา อ, อารมณ์ต่างๆอ่า วันวันวันหนึ่งเราก็มีอารมณ์แปรปรวนไปเรื่อยใช่ไหมบางทีก็อารมณ์ดีบางอารมณ์ก็อารมณ์เสียเวลาอารมณ์เสียก็ทุกไปกับมันเราต้องไม่ทุกกับมั น, มนตเราเฉยๆกับมันไปใช่มใช่เั น, นแบบเป็นเปนรายละเอียดเป็นธรรมรายละเอียดแต่มันต้องผ่านขั้นกขั้นยากขั้นกลางขั้นอะไรไปก่นอนอั้นยากว่าของภายนอกกันรูปเสียงกินนวดโลกธรรมตีเนี่ยเรา ไม่ทุกไปประมันให้ได้ก่อน uh huh. แล้วก็มาแก้ปัญหาการร่างกายของเราเก่ดแก่เจ็บตายนี่ค่ะค uh ํา huh. วทนาะ uh huh. มันก็บานด้วยการร่างกายเวลาเจ็บก็มีเวทนา uh huh. ใช่ไหมค่ะ uh huh. เวทย์นาก็ร่างกายกับเวทย์นาก็ต้องมาอันนี้ก็เป็นแบบแบบกลางความอยากแบบกลางอย่าไปอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอย่าไปอยากให้มันมีแต่สุขเวทนาอย่างเดียวอื uh huh. uh huh. อย่างนี้ก็คือขนาดกลางขนาดเล็กก็คืออารมณ์ต่างๆอย่าไม่อยากให้ใจเราว่างเย็นสบายสงยบแบนตลาดเวลาอเข้าใจอ่ ะ, อะนี่พอดีเพิ่งกลับลงมาจากขึ้นไปที่เขาทีโอน ไปมาสี่วันแล้วก็รู้สึกว่าไม่ไหวแล้วสี่วันนี้น้อยไปเพราะว่าวันที่สี่มันกําลังเริ่มแบบเข้าได้เข้าเข้มอ่่กับว่าเราได้ก็เข็มแล้วก็เออที่ต้องกลับมันก็เลยบอกว่สงสัยต่อไปต้องขยายระยะเวลาออกไปแอเอจะต้องไปหาที่ของตัวเองอยู่แล้วมนะัออ้ง <laughs> ใช่กันอาจจะต้นงเพราะว่าแบบโอ้พรวันที่สีอ่อ้ากํลาลังดีเลยแต่เวลากลับแล้ว <laughs> ก็ ก็ดีค่ะที่มันที่มือเขาเป็นซัมเปลให้ไปลองไปซัมเปิลดูว่าอยู่คนเดียวมันดียังไงแล้วก็ไปตอบไปกได้ไปหาที่อยู่คนเดียวน่าจะอย่างนั้นนะค่ะพีะซานก็ก็ดีค่ะเหมือนกับเราได้แล้วก็เหมือนรอบนี้ความที่ว่าก็ความตั้งใจก็มากขึ้นคือปิดโทรศัพท์ได้ยาวขึ้นแล้วก็ พอดีไปอ่านโพสต์คนหนึงของอาจารย์บอกว่าให้คิดว่าเหมือนเราตายจากโลกนี้ไปใครก็จะมีปัญหาอะไรก็สมมุติว่าช่วงที่เราไปปฏิบัติเนี่ยเราตายมันมันก็จะได้อีกเราวางจิตวางใจได้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันตายก่อนตายเราถอยไปตายก่อนตายใช่ค่ะอาจารย์ก็ดีค่ะอาจารย์ก็ไม่มีคําถามอะไรค่ะอือก็มารายงานเท่านั้นเองว่าได้ขึ้นไปแล้วก็พบว่า สี่วันดูถ้าจะน้อยไปนิดนึงละจังสินอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ลองจองใหม่ได้คือไปจองก็เรื่อยๆกันนะใช่ค่ะนี่ก็จองไว้สําหรับลูกหน้าไปแล้วค่ะเพราะว่าตั้งใจว่าทําก็จะพยายามทุกเดือนอย่างน้อยก็ได้ไปชาร์จพลังให้ตัวเองไม่รู้พูดว่างคือมันสงบสงบดีค่ะพรอาจารย์อ่าเนย่ะพระอาจารย์น้มันสะก้างค่ขอพระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงตันต่อไปนะเดี๋ยวก็ถึงค่ะ นำ เ, เดินทางแล้วเดี๋ยวก็ถึงจุดหมายปลายทางเองแต่ครับจริงๆตอนนี้ก็ทําได้นั่งได้ยาวขึ้นครับอาจารย์รู้สึกว่าแล้วก็ที่ตะก่อนโอ้โหผ่านเจ็บโบดขาไม่ได้เหมือนตัวเนี้ยเราก็เริ่มเริ่มเห็นช่องทางที่ชัดเจนขึ้นแล้วเราก็รับมือกับตรงเนี้ยได้ชัดเจนขึ้นอ่าดีมากสาธุค่ะอาจารย์มุสลิมโอเคเอาเท่านั้นนะค่ะ โอเคไปที่อาจารย์พรมพิรายกับคุณอนุกูลยังไงพักผ่อนหายเหนื่อยแล้วใช่ไหมการราชการอาจารย์ค่ะอนุกูลพาจารด์พักผ่อนหายดีแล้วใช่ไหมหายดีแล้วใช่ไหมเรียบร้อยดีครับก็ได้เป็นลูกทุกคนจะไม่ได้เปเที่ยวหายทันทีเลย บัวเป็นต้นเหตุอืมเออก็โอเคครับโอเคสุขภาพเป็งไงง่ะอ่าของอาจารย์หลังอาจารย์เป็นไงครับก็เหมือนเดิมมันก็อยู่กับมันไปมันก็ไปของมันเราก็อยู่ของเราไปทํำไงล่ะมันเป็นฝาแฝดนะจันกับอินอ่ะอินกับจันจันทด้วยสบายอินก็ต้องอยู่กับจันทไปปล่อยไปอ่า อินไม่สบายอาจันก็ต้องอยู่กับอินไปมันแยกกันไม่ได้ทำไงใช่ไหมตอนนี้ตอนนี้เพื่อเพื่อนก็หลายสาหัสเป็นหลายคนคือร <c oughs> ายงานพระอาจารย์สร้างก็อย่าไปอะไรกับมันเลยก็ทุกอย่างก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละมันมัวลามันต้องเสื่อมไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของมันแต่ใจเราไม่เสื่อมถ้าเราดาีใจเราอย่าไปวุ่นวายกับมันใจเราเฉยๆได้ทําเฉยๆเราจะสบาย ใจสบายกันอยู่ค่ะโอเคพระอาจารย์คะเดี๋ยววันพุธหน้าสามสิบเอ็ดจะไปตักบาตค่ะยาสาธุยาโมจานอคุณจาคุณจายังจงพูดหรอเปล่าเห็นปิดกล้องอ่มาแล้วกลับถึงพอดแล้วเหรออลับสการ์ค่ะพระอาจารย์ใช่ค่ะเพิ่งมาถึงเมื่อคืนวันจันทร์นี้ค่ะโอเคใช้เวลากี่ชั่วโมงอะเบน ประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกชั่วโมงประมาณเนี้ยค่ะไม่นานมไม่ได้นานมากครัเป็นเป็นทางเอเซียที่มาทำโตเกียวนช่ไหมค่ะหนูม า, อมารอบนี้หนูมาผ่านฮ่องกงค่ะฮ่องกองแล้วก็ไปลงเอแล้วก็เอมาลงพ อ, อ, อแน่นเหนื<ม>่อยไหมเหนื่อยไหมนั่งเครื่องบินยาวๆเนื้อไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่ค่ะก็ได้ยอยู่เพราะได้อยู่ค่ะหนูไปเที่ยวนี้ แตกเลยคะ่ะพระอาจารย์สติทุกอย่างที่เคยสร้างมาแบบว่าหนูเสพสุขของความใช้ของการใช้ชีวิตกั บ, บครอบครัวอะไรอย่างเนี้ยค่ะแต่ว่ายังคือยังไม่ได้สิ้นแตกนะคะคือหนูก็ไม่ได้ดื่มเหล้าเมายาหร อ, อะไรแบบนั้นแต่ว่าที่ตั้งใจไวค้ค่ะพระอาจารย์ที่ว่าจะแบบเ อ, อไปนั่งสมาธิกับอาจารย์ใหญ่จะไปวัดบ่อยๆ อ, อะไรคือแบบหนูแบบยังไยงไปไม่ถึงจุดนั้ ไม่ถึงค่ะแล้วคื อ, <ช> ค, อคือแบบว่ามันเหมือนเขาเรียกว่ายังไงคะเหมือนเหมือนดวงจะไม่ได้ไปด้วยเพราะว่าเ <c oughs> พื่อนที่ตั้งใจว่าจะชวนกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาติดโควิดอีกก็เลยโอเคคนนั้นไม่ได้ไปละแล้วก็ตอนแรกว่าจะไปกับพี่สาวสุดท้ายก็มีกิจรกรรมอื่นแทนอะไรคือมันก็ข้ออ้างอะนะคะพ่อจันแต่ว่าคือถ้าเกิดใจหนูอยากทำจริงหนูว่าหนูก็คงหาทางจนได้อะ ก็เสิ่ยงวนันนอ้มันไม่เพื่อเพราะเราไปคุกใกล้ใกล้ชิดกับคนมากมันก็เต้อง<ฆ>มันต้องไปทำกิจกรรมน่วงกับเขาไปถ้าเรา<ฆ>สมมติกลับมาแล้วไม่มีเพื่อนไม่มีครอบครัว ล, ล้วก็ไปทำอะไรต่างาได้เหมือนตอนที่เราอยู่ปอดแลนด์ตอนนี้<ฆ>ใช่ไหมค่ะใช่ค่ะพระอาจาร์หนูตอนที่อยู่ที่นั่นหนูก็ส่งคำถามเข้าไปแต่ว่าไม่ได้ พอดีวันนั้นที่ส่งเข้าไปมีฝรั่งมาที่วัดแล้วพระอาจารย์ก็ตอบคําถามฝรั่งคําถามหนูก็เลยไม่ได้อ่านแต่ว่าหนูส่งเข้าไปถามเรื่องของอ่าความความที่เราไปอยู่ไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วความอยากที่จะปฏิบัติธรรมที่หนูเคยมีเหมือนมันหายไปหมดเลยแล้วก็ตอนแรกหนูก็ว่าจะคําถามของหนูก็คือทํายังไงถึงจะได้ความอยากเหล่านี้กลับมาแต่ว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ก็ตอบแล้วว่าหนึ่งก็คือ เหมือนสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยมันก็ยากขึ้นหน่อยได้ถ้าเราอยู่คนเดียวนก็ง่ายก็แล้วไม่มีข้อบูกูพันที่จะต้องไปทําติดของคนอื่นค่ะก็เนี่ยหนูกับหนูเมื่อเช้านี้พอดีเจ็ดหลับแล้วก็เลยตื่นมาตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งนะคะตอนนี้ตีห้าห้าสิบจะหกโมงแล้วหนูก็ยังไม่ได้หลับไปตั้งแต่ตอนที่ตื่นมานะคะแล้วก็ตื่นมาหนูก็มาเปิดหาเอที่ธรรมะที่พระอาจารย์ สอนมาเปิดฟังดูเนี้ยค่ะแล้วก็เจอหนึ่งหนึ่งวิดีโอที่พูดไปถึงเหมือนพระอาจารย์เปรียบเทียบเรื่องการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการทํานาคือไม่ใช่ว่าจะปลูกถั่วงอกไม่ใช่ว่าแบบวันสองวันแล้วจะงอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องใช้เวลาหนูก็เลยมานั่งค่อยๆพิจรารณาว่าเออโอเคความอยากที่มันหายไปมันก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ได้ที่ผ่านมาหนูยังไม่ได้อยู่ในจุดที่สติมากพอที่จะหายไปสองเดือนแล้วจะแบบ ยังคงมีความอยากอยู่แบบมันยังมันยังน้อยไปอะไรค่ะก็คือแค่ว่าอ่าก็คือต้องพยายามทําไปเรื่อยๆไม่อยากก็ทํำทั้งที่ไม่อยากอะไรประมาณนี้ต้องมัม่งค่ะก็พยายา ม, มปฏิบัติแล้วก็ฟังเทศฟ<ม>ังธรรมให้มากขึ้นเดี๋ยวมันก็ปลูกศรัทธาขึ้นมาศรัทธาวิริยะมันก็อยากเรามีพระละหา่าเรามีอ<ม>ินสี่ห้ามีสติเมศศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญา ที่มัน อ, อ่อนลงเราก็ต้องมาสร้างมันขึ้นมาใหม่สร้างศรัทธาด้วยการฟังเทศทางธรรมศึกษาธรรมะไปแล้วก็มันก็จะทําให้มีความข ย, นมขนยขันมากขึ้นที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปความคําว่าอ่อนไปไม่ได้คือแปลว่ามันจะไม่หายไปใช่ไหมคะคือหมายความว่าถ้าทันทีที่หนูมีโอกาสได้กลับมาปฏิบัติอีกทีนึง่งใช่คะมันก็เหมือนร่างกายถ้าเราเคยวิ่งแล้ว เ, เราหยุดวิ่งสักพักหนึ่ง แล้วกลับมาวิ่งใหม่มันก็วิ่งไม่เท่าเดิมนี่แม่<ะ>ก็ต้องเริ่มต้นใหม่สมมติ<ะ>เราไปวิ่งห้ากิโลแล้วหยุดไปสักพักหนึ่งพอกลับมาจะวิ่งห้ากิโลวิ่งไม่ไหวเราก็วิ่งกิโลนึงก่อนขยับขึ้นไปอืมแต่ว่ายอย่างน้อยถ้าเราเจอทางนี้แล้วแล้วเราก็ศรัทธาไปแล้ว ต่อให้เราไม่ค่อยได้ปฏิบัติแล้วมันหายไปนิดหน่อยอย่างน้อยแรงศรัทธาที่เราเป็นความเชื่อของเราแล้วมันจะฝังอยู่ในใจถูกไหมคะก็คือไม่แน่นอนถ้าถ้ายัางถ้าห่างมากๆมันอาจจะมันจะหายไปก็ได้ต้องอต้องสร้างใหม่ด้วยการเข้าหาธรรมะบ่อยๆฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะอันเ้ียนก็จะเฟื้นฟูศรัทธาขึ้นมา อันนี้รวมไปถึงอุเบกขาด้วยไหมคะอาจารย์คือความใช่มันก็อยู่ที่เราปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่มีสติสติดน้อยล้องอุเบกขาก็จะน้อยลงตามอือโอเคค่ะแล้วเมื่อกี้ขออนุญาตถามอีกคําถามนึงต่อจากพี่ที่ชัยนาที่ถามเรื่องอุเบกขานะคะว่าถ้าถ้าเกิดว่าความมีอุเบกขาคือหมายถึงใจที่ไม่ดิ้นรนกับความทุกข์ความสุขแล้วถ้าในกรณีของความอยากอุเบกขาเกี่ยวข้อง กับความอยากบ้างไหมคะคือถ้ามี อ, อุเบกขามันอยากอยู่คนละฝ้ากั น, นถ้ามีอุเบกขามันก็จะคุมความอยากได้<ม>ถ้ามไม่มีอุเบกขามันก็ความอยากมันก็ขึ้นมาคือไม่ใช่การมีอุเบกขาไม่ใช่แค่จะทําให้ใจนิ่งอย่างเดียวแต่ว่าแม้แต่กิเลสที่โผล่ขึ้นมามันก็ความอยากมันก็จะอ่อนกําลังลงถ้าอุเบกขากําลังมากความอยากก็จะอ่อนกําลังลงถ้าความอยากถ้าอุเบกขาอ่อนกําลังลง ความอยากก็จะมีแรงขึ้นมีกําลังมากขึ้น <Okay. S 1> มันเป็นคู่ต่อสู้กันโอเคค่ะเอ๋ okay, อ, ขอขอคำถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์เรื่องขันห้าวันก่อนที่หนูฟังพระอาจารย์เทศก็คือมนุษย์เราแบ่งเป็นสองส่วนหลักคือฝั่งที่เป็นกายซึ่งก็มีตาหูจมูกลิ้นผิวสัมผัสแล้วก็อีกส่วนที่เป็นใจซึ่งมีคุณสมบัติก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณถูกไหมคะใช่มารวมกันก็เป็นขันห้าไป รูปประขันก็เป็นร่างกายเวทนาสัญญาสังขารก็เป็นญาณเวลารูปประคัตายไปกลับคืนสู่ดินแล้วหลมไฟไปนามขันก็ยังอยู่ยังอยู่กับใจอยู่กับผู้รู้อยู่ต่อแล้วก็ไปได้ร่างกายอันใหม่ต้องไปเป็นเหมือนเป็นเสื้อผ้าใหม่เั่นเองขันนามขันก็ยังเหมือนเดิมอยู่เคยรักเคยชังอะไรเคยชอบอะไรเคยคิดแบบไหนมันก็ยังคิดแบบนั้นต่อไปนามขันก็ยังคงมี ลักษณะทั้งสี่อยู่ที่ <Y uro. S 2> จะไม่หายไปแต่แค่ว่า uh huh. uh huh. ธรรมะจะช่วยให้เช่นเวทนาเมื่อกี้ก็คือมีอุเบกขาขึ้นมาอ uh ่า huh. สังขารก็แทนที่จะปรุงไปเราก็จะมีสติรู้ว่าเรากําลังจะปรุงก็หยุดปรุงอะไรอย่างเงี้ย uh huh. uh huh. แต่ว่า uh huh. เราจะยังคงรู้วิญญาณก็ยังรับรู้สัญญาที่จําได้ก็ยังจําได้อยู่แต่แค่ว่าเราไม่ไม่ไหลไปกับมันไม่แบบปล่อยให้มันเป็นไปตามกิเลสถูกไ้ยคะยแต่มันไม่หาย อยู่ที่กําลังของสติของเราเราเคอยฝึกไว้เท่าไหร่มันก็จะอยู่เท่านั้นเวลาร่างกายตายไปของที่อยู่ในนามธรรมายังอยู่เหมือนเดิมอยู่ค่ะละทัทธินี้ที่หนูเคยได้ยินมาว่าถ้านั่งสมาธิเข้าชาในจุดที่เป็นเช่นในจุด ข, ของอรูปฌานทั้งหลายอันนี้ที่บอกว่าเหมือนวิญ ญ, ญาณดับนี่คือจริงๆแล้วคือไม่ได้แปลว่าดับแบบดับสูญไปหยุดหยุดทำงานหยุดทํางานชัว่วคราวคือแปลว่าเราจะไม่รับรู้ล่ะค่ะ เขาในในแง่ของวิญญาต์คือคือเรามีเรามีตัวรู้อยู่แล้วเราจะรู้ว่าตอนนี้ตัวนี้ไม่ทํางานแล้วตัวนี้ไม่ทํางานแล้วมันก็เหมือนเรามีมีไฟอยู่สี่หลอดเนี่ยแวหลอดไฟอันนี้ดับไปหลอดอันนี้ดับไปดับไปดับไปจนกระทั่งเหลือแต่ตัวรู้อย่างเดียวอ่าโอเคค่ะเวลาเข้าสมาบัติเวทนาก็ดับไปสัญญาก็ดับไปสังขารก็ดับไปวิญญาณก็ดับไป เล่ mm hmm. แต่ตโตนี้อย่างเดียวแต่มันไม่ได้ดับแบบท้าวรมันหยุดทํางานช่วคขาจพอท้องออกมาจากสมาธิปั๊บมัน ก, มนก็มันก็ดับขึ้นมาใหม่โอเคคือตัวสมาตัวฌานตัวสมาธินี่ก็คือตัวที่หยุดแล้ว mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราเข้าฌานที่ส่วนมากคนชอบอ่าเหมือนมีความสนใจที่จะเข้าฌานสีอ่าจริงๆแล้วถ้าเข้าฌานสีไปแล้วสมมติว่าเกิดเราแบบ ตายไปหรืออะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วเราไปเกิดอยู่ในส่วนที่เป็นรูปฌานก็คือถ้าถ้าณตอนชีวิตที่ผ่านมาที่ยังเป็นมนุษย์อยู่เราไม่เคยได้ใช้ปัญญาที่จะเพื่อรณายังไม่แตะโสดาบันเนี่ยการที่เราเข้าไปเกิดในรูปฌานแล้วเราอาจจะกลับมาแล้วก็ที่ก็ยังไม่พ้นที่จะมาเกิดในอบายอยู่ทูกเนีหยค่ะคือมีสิทธิ์ที่จะกลับมากลับมาเหมือนเดิมเหมือนมือตอนที่เราตอนที่เราตายอ๋อก็คืออย่างก็คือเช่นกลับเป็น กลับมาต่อกลับมาต่อเหมือนเหมือนเทปเป็นขาดแล้วก็กลับมาต่อเทปต่อนะครับหนังมันขาดอืเราเราเอาหนังมันมาต่อกันเหมือนร่างกายมันตายก็เหมือนเทปขาดไปหนังขาดไปแล้วก็ไปเอาร่างกายใหม่มามาต่อใหม่แล้วเราก็ดําเนินแบบเดิมต่อไปแเราเคยทำไปเราถึงทําถึงตอนไหนก็เราก็ไปทําต่อตรงนั้นไปค่ะ หนูไปเปิดเจอผังอยู่อันนึงว่าเทวดาขั้นต่ําสุดก็มีอายุประมาณประมาณเก้าล้านปีมนุษย์หรืออะไรประมาณเนี่ยค่ะหนูไม่รู้ว่ามันมันข้อมูลตรงแค่ไหนแต่ฟังดูแล้วแบบว่าตายแล้วถ้าเกิดว่าเราทํำดีแล้วเรายังไม่แตะโสดาบันแต่เราดีพอที่จะเป็นเทวดานี่คือแบบเราจะต้องอยู่ในรูปของความเป็นเทวดาอีกนานมากเลยใช่ไหมคะกว่าจะได้กลับมาเป็นมนุษย์อีกรอบก็ถ้าเราตามตารางก็เป็นอย่างนั้นค่ะ ัแล้วมันก็ดีกว่าไปไปเป็นเนรฉานค่ะไปเป็นเนรฉานเก้าล้านปีกับเป็นเทวดาเก้าล้านปีเป็นเทวดามันดีกว่าจค่ะโอเคค่ะแค่นี้และค่ะพระอาจารย์หนุถามมากมายก็อยู่ที่บุญที่กรรมที่เราทําเนี่ยถ้าทําบุญมันก็ไปเป็นเทวดาถ้าทําบาปมันก็ไปเป็นเนรฉานไปเป็นเปรตยาวทางไหนนะอืม หรือถ้าเรา ส, สามารถบุญก็ไม่ทําบาปก็ไม่ทําแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์ได้เลยตายแล้วก็กลับมาเป็นมนุษย์เช่นเด็กว่าเด็กบางคนอาลึกชาดดาชาดก่อนเคยเกิดอยู่นท้องบ้านนี้ตรงนั้นเพราะมันมันเขาไม่เลยไปไปอยู่ที่พบอื่นไงพอตายไปก็กลับมาเกิดใหม่เลยเพราะว่าจำได้อืแต่น้อยคนที่ที่บุญกับบาปจะเท่ากันที่ชีจะทําให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทันที ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่กวบรันจะไปนักทำไมทางบาปใชมากกว่าค่ะเพราะบาปมันทําง่ายกว่าทำบุญนะค่ะโอพระอาจารย์คะหนูขอโทษทีคะ่ะขออนุญาตเสีย เ, เวลาทุกท่านอีกหนึ่งคำถามค่ะหนูส่งตอนที่อยู่ไทยอ่ะค่ะพอาจารย์คือด้วยความที่พออยู่กับพี่สาวพี่สาวก็เลี้ยงใจทํานู่ทนทํานี่ให้เงินแบบว่าเหมือนเป็นผู้ปกครองเลยนะคะแล้ว หนูก็เอาเงินนี้ยทำบุญแต่หนูว่าไม่ได้รู้สึกอยู่ในใจว่าเป็นเงินของหนูเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นเงินที่พี่สาวเอามาให้ใช้อย่างเงี้ยหนูไม่ได้เกิดความสุขใจเพราะว่ามันไม่ใช่เงินหนูถึงแม้เขาจะให้ก็ตามหนูก็ไม่ได้ได้บุญถูกไหมคะในกรณีนี้มันก็อยู่ที่เราคิดเนี่ยถ้าเราคิดว่าไม่ใช่เงินของเราเราก็ไม่ได้บุญแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นของเราเราเราไปทำบุญเราก็ได้ อ่างั้เวลาคุณได้เงินจากคนอื่นมามันก็ไม่ใช่เป็นเงินของคุณอยู่ดีไม่ใช่อันหนูรู้สึกอันนั้นหนูรู้สึกว่าหนูทําในสิ่งที่หนูควรทําให้สมควรที่จะได้รับเงินเลยคะ่ะในขณะที่ของพี่สาวคือเหมือนมันเป็นเขาเมตตาหนูเขาก็เลยแบบอ่ะหนูกลับไทยเขาก็ให้เงินหนูมาใช้อย่างเงี้ยก็เ<ะ>ลยรู้สึกว่าก็เราต้องไปทําอะไรให้เขามีความอยากจะให้กับเราอยู่ดีไม่ใช่ <laughs> แลหนูจะเคยแจะเคยทำอะไรให้เขามาก่อนก็ได้แล้วพ อ, อมีโอกาสเขาก็อยากจะตอบแทน บุญคุณของเราเองแต่ก็จะไม่พูดนะเพรตอบแทนบุญคุณที่ทํานู่นทํานี่ให้กับเขาใช่เขาเขาอาจจะไปเยี่ยมอเมริกาเขาอาจจะไปเที่ยวที่อเมริกาไปเยี่ยมเรนแล้วเราก็พาเขาเที่ยวแ่บไม่ค่ะเขาพาหนูเที่ยวอยู่ดีตอนเขาอเมริกาหนูว่ารู้สึว่าหนูกินบุญเก่าหนูไม่ได้ทําบุญเพิ่มก็เลยแบบกลับมาที่เนี่ยหนูก็เดี๋ยวจะต้องเร่งทําล่ะใช้แต้มบุญไปเยอะ กลับไทยเดียวนี้เอ่าถ้าถ้าถ้าเป็นเงินของเขาให้ามาอยู่กับเราได้ยังไงอะไรนะคะถ้าเป็นเงินของเขามันมันมอยู่กับเราได้ยังไงก็เขาให้เขาบอกเขาให้หนูก็หนูว่าเขาไม่ได้ให้กำไรของเราก็ไม่ใช่เลยหนูไม่รู้สึกอย่างนั้นหรออาจารย์หนูรู้สึ ก, นกันเงิขาที่เขาให้เสฉยๆแล้วก็หนูจะใช่หรือจะไม่ใช้สุดท้ายถ้าหนูไม่ใช้มันก็กลับคืนไปเป็นของเขา หนูก็จะแบบรู้สึกว่าแบบมหนูคืนเขาเรืยองงนั้นที่เขาให้มาคืนคืนค่ะคือทั้งหมดเลยหนูได้หนูเอาเงินไทยกลับมาแค่แบบประมาณร0อยบาทค่าแบบเผื่อตอนอยู่สนามบินอะไระอย่างเงี้ยค่ะก็จมที่เหลือก็ไม่ได้ใช้ก็อะไรอย่างเง้แต่หนูคือว่าหนูที่หนูถามนี่คือหนูแค่อยากจะสั้นๆเลยก็คือบุญมันขึ้นอยู่กับใจเราถูกไหมคะเพราะว่าในกรณีนี้ถ้าถ้ากลับกันว่าหนูคิดซะว่า เนี่ยเขาเอาเงินกองเนี่ยมาให้หนูอ่ะหนูมีสิทธิ์ที่จะทําอะไรกับมันก็ได้มันเป็นเงินของหนูแล้วหนูก็จะแบ่งเงินเนี้ยแทนที่จะเอาไปใช้ทํานู่นทํานี่เที่ยวเล่นกินแต่หนูเอาไปทําบุญแทนเนี่ยถ้าหนูคิดแบบเนี้ยมันก็จะเกิดเป็นความสุขใจหนูก็จะได้บุญแต่ว่าหนูพอดีไม่ได้คิดแบบนั้นหนูคิดว่ามันเป็นเงินเขาหนูคิดว่าการที่หนูทําบุญก็เหมือนเขาทําบุญแหละแต่เพราะว่าเขาทําบุญแต่แรกแล้วเพราะเขาให้หนูแต่หนูจะไปให้ใครต่อมันก็มันก็คือเขาก็ได้บุญ ก็เขาได้ของเขาอยู่แล้วที่เขาให้เราเนี่ย<อ>แต่เราเนี่ย<อ>เราอาจจะไปทําบาป ก, ก็ได้เอาไปซื้อยาเสพติดมาเสพก็ได้อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถึงแม้มันจะไม่ได้เป็นความสุขใจเพราะหนูไม่ไม่ยอมคิดเองว่ามันเป็นเงินหนูแต่อย่างน้อยหนูก็ไม่ได้เป็นความถูกใจเพราะหนูไม่ได้เอาไปกุ้งเปลือยเอาไปใช้อะไรก็เหมือนถ้าหนูว่าไปทําบุญหนูก็จะมีความสุขใจถ้ามองถึงประโยชน์ที่หนูได้ทํา เป็นให้คนคนที่เขาเดือนร้อยเขาขาดแคลนเขาได้เงินนี้ไปเขาก็จะได้รับประโยชน์สุขจากเราเรามองตรจุดนั้นมากกว่าว่าเราเราทำประโยชน์ให้ใครแล้วเรารู้เป็นความรู้สึกสุขใจขึ้นมาใช่ไหมค่ะอันนั้นก็เป็นบุญค่ะโอเคค่ะ <laughs> ขอบคุณค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์กวาอโอเคสาธุ ใ่เวลาคนอื่นก็ฟังไปบางทีแต่ละคนไม่มีปัญหาเหมือนกันฟังแล้วก็อาจจะได้ข้อคิดอะไรไปไป <Okay. S 2> ที่ท่านต่อไปอยู่ที่เท็กซัสใกล้ๆกันยาร์ดัสกุณสภาตาจากธรรมาสตร์ทัศน์เจ้จ า, จาค่ะยังสวมหมูกอยู่เงหนาวอยู่นะ ย, ยังหนาวอยู่เจ้าคะเมื่อเช้าประมาณสองดีขึ้น <laughs> ไม่ติดลบเจ้าค่ะ <laughs> พระอาจารย์ได้ยินใช่ไหมเจ้าค่ะได้ยินชัดเจนชัดเจนพราะที่ลูกเปลี่ยนหูฟังเจ้าค่ะกันเลยแม่แต่วันนี้เออลูกขอมีคําถามมาเจ้าค่ะก็คือที่อออ ล, ลูกสังเกตเห็นคื อ, อมีอยู่สองคำถามลูกสังเกตเห็นว่าตอนที่เออลูกนั่งสมาธิเนี่ยช่วงเวทนามันเกิดขึ้นเนี่ยลูกเห็นจิตมันมันวิ่งไปจับเออเจ้าค่ะวิ่งไปจับเวทนาแล้วก็พอ ลูกดึงกลับมาอยู่กับเอสติกับคำบริกรรมมันพออยู่ได้สักพักมันก็วิ่งวิ่งไปจับความคิดอื่นคือลูกเห็นจิตมันวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ยเจ้าค่ะแต่ว่าพอถึงจุดหนึ่งพอเข้ามาถึงลูกสังเกตว่าพอเข้ามาถึงจุดของสติบริกรรมเนี่ยจะจิตตรงกลางเนี่ยมันจะเย็นมากนะเจ้าค่ะมันรู้สึกเห็นความต่างความต่างความต่างของที่ขณะที่จิตมันวิ่งแล้วแต่ว่าพอมันมาอยู่ตรง จุดที่มันมีสติแล้วก็อยู่ตรงอุเบกขารู้สึกใจมันจะแบบเย็นแล้วก็เวทนามันยังอยู่อะเจ้าค่ะแต่ว่าเดืใจไม่เดือดร้อนใจไม่ร้อนใจเจอจุดที่สงบเจอจุดที่ปลอดภัยคือจุดอุเบกขาใช่เจ้าค่ะคือลูกไม่เคยเห็นมันชัดขนาดนี้คือลูกเห็นมันรู้สึกวันนั้นเห็นมันชัดมากที่มันมันวิ่งแล้วมันก็มีความต่างของความต่างอ่ะเจ้าค่ะพอมันมาอยู่ตรงเนี้ยมัน เย็นมากเจ้าค่ะพอวิ่งแล้วมันวุ่นวายใจเครียดพอมันหยุดวิ่งมันอยู่ในที่ที่สงบที่ที่นิ่งได้มันก็สบายเจ้าค่ะนี่คืออำนาจของสติเราต้องใช้สติมากในช่วงที่จิตมันวิ่งอย่ามันดึงให้มันอยู่กับอารมณ์เดียวให้ได้หรือกับพุทโธพุทโธไปยังกามันจะนิ่งหรือถ้าเรารู้จุดนิ่งแล้วดึงมันไปอยู่ในจุดนั้นได้ก็ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ ใช่เจค่ะคือลูกไม่เคยเห็นมันชัดขนาดเนี้ยเจ้าค่ะวันนั้นลูกเห็นมันชัดมากสังเกตแล้วมันเห็นชัดมากลูกก็คือรู้เฉยๆยเจ้าค่ะแล้วคําถามที่สองคือพอพอลูกเห็นลูกสังเกตเห็นแบบเนี้ยพออีกวันหนึ่งเนี่ยกลับกลายเป็นว่าลูกเห็นว่าจริงๆแล้วว่าพอเวทนาเกิดเราไม่ได้ดับเวทนาแต่จริงๆคือมันดับคือสิ่งที่เราต้องดับคือดับความอยากของเราอ่ะเจ้าค่ะใช่ ดับเวทนาไม่ได้ละมันเป็นอนัตตามันเจ้าค่ะพอลูกเข็นจุดว่าอ๋อที่แท้คือคือสิ่งที่เราจะต้องดับก็คือตัวที่มันดิ้นก็คือคือความอยากมันไม่ใช่เวทนาดิ้นนะเจ้าค่ะคือความอยากมันดิ้นแล้วพอ<ด>เราดิ้นแล้วก็ทำให้ทุกข์ใจทุกข์ทรมานขึ้นมา <c oughs> <calcium> <behaviour. S 2> นี่คือวิธีแก้ปัญหาของงักปฏิบัติไงแต่ถ้าคนไม่ปฏิบัติก็จะไปดับที่เวทนาปวดก็หายาแก้ปวดมากินอย่างนี้มันก็ดับได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็กลับมาใหม่แล้วก็ไปติดยาแก้ปวดนีดแล้วค่ะพอวันนั้นพะวันนั้นที่ลูกเห็นที่ถึงจุดที่มันทำให้ความเย็นเกิดขึ้นแล้วพอวันที่สอลูกสังเกตแล้ววันก็พอพอ จับจุดมันได้มันก็เลยรู้ว่าอ๋ อ, อคือที่แท้ที่ดิ้นทุกอย่างคือความอยากที่ที่มันดิ้นมันไม่ใช่อะไรเลยก็คือตัวความอยากที่มันดิ้นนะเจ้าค่ะถ้าเรามีดวงตาเห็นธรรมแะเนี่ยเห็นอริยสัจสี่นะเห็นทุกสมุทัยนี่รอมากนเะจ้าค่ะลูกพอเวลาพอเวทนามามันก็เลยทําให้ลูกเริ่มจับจุดได้ง่ายขึ้นว่าอย่า อย่าไปยาอย่าไปคิดต่อไปเราก็จะไม่เครียดกับความเจ็บนัะเราเวลาเจ็บไายได้ป่วยแล้วก็หาจุดที่เราได้เจ้ได้ทันเองก็จบเจ้าค่ะมันเริ่มมันเริ่มเหมือนก็จับจุดได้เจ้าค่ะจับจับจุดได้ว่าอ๋อเวทนามาอยู่ตรงนี้นะอะไรอย่างเงี้ยยาวไปยาวไปเล่นกับมันมันเป็นเหมือนไฟไฟมันไปเราหาที่หลบไฟหาที่หลบ คืออุเบกขาใช้เสียเนื่งใช้ใช้เสยเจ้าเจ้าค่ะแล้วก็ก็คือที่เหลือก็คือรูปรูปสังเกตว่าที่เหลือคือพยายามสร้างอุเบกขาให้ได้มากที่สุดนะเจ้าค่ะเพราะว่าเวทนาก็อยู่ของมันอย่างงั้ น, นเจ้าค่ะก็คือเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันทําอย่างเดียวคือที่เราหน้าที่เราทําอย่างเดียวคือมีอุเบกขาพอที่จะหยุดตัวอยากเท่านั้นนะเจ้าค่ะใช่ไหมเจ้าค่ะอช่ตัวที่ทําให้อุเบกขาเกิดก็คือสตินี่ เราฝึกสติทั้งวันทั้งคืนเดินยืนนั่งนอน ย, ยกเว้นเวลาหลับอเนลูกลูกลูกลูกสังเกตเห็นชัดขึ้นเจ้าค่ะเพิ่มเข้าใจเพิ่งเขา้เขาใจการทํางานของอริยสัจสี่อริยสัจสีมันของจริงแต่เราไปอ่านมาในตํารายังไม่เห็นของจริงจนกว่าเราจะมานั่งปฏิบัติแล้วเจอทุกขเวทนามันถึงจะเริ่มเห็นของจริงปรากฏขึ้นมา เจ้าค่ะเจ้าค่ะการทีงบอกทุกบอมีปัญญาบอกเกิดเนี่ยเจ้าค่ะแต่ละครั้งที่สังเกตเห็นคือคือไม่ได้แบบว่าทุกครั้งอะเจ้าค่ะนาบางทีนานมากปีหนึ่งปีหนึ่งจะได้เข้าใจสักทีละนิดทีละนิรทีลนิดเจ้าค่ะเหมือนเป็นการสะสมไปเรื่อยๆเจ้าค่ะก็คือให้แค่ ใ, ใจเย็นๆว่าก็ต้องทําไปยังไงก็ต้องทําไปเรื่อยๆแล้วแล้วเดี๋ยวจะ จะเข้าใจเองเจ้าค่ะอย่าหยุดแค่นั้นเองเจ้าค่ะไปเรื่อยๆอดทนปีหนึ่งอาจจะครั้งนึ่งอะไรอย่างเงี้ยสะสมมาเจ้าค่ะแต่เวลาสังเกตแล้วมันสัมผัสเข้าใจมันเป็นอะไรที่เหมือนตอบตอบที่ทํามาเจ้าค่ะตอนี่อาจจะอย่ากจะนั่งให้มันเจ็บมากขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ไม่ได้จะได้ลดซ้ำดูว่าเราหาจุด อุบຈขาเจอไหมเวลาเจอเจอความเจ็บแต่ละครั้งเจ้าค่ะเหมก็ว่าบอกว่าเหมือนกับว่าแบบเออเราเราเราข้ามความอยากได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะดับความอยากตอนนั้นได้ไหมมันเป็นอะไรที่แบบเหมือนเราเหมือนเราดับกิเลสนะเจ้าค่ะว่าแต่ละจุดแต่ละจุดเราดับกิเลสได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะดับปัญหาของตัวเองช่วงนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เริ่มสนุกเจ้าค่ะ เจ้าค่ะรูปมีคําคถามตอนนี้แล้วเจ้าค่ะวันสัปดาห์นี้หลังไปมไม่อยากจะทําอะไรมันอยากจะปฏิบัติอยากจะฝึกไปเรื่อยๆ <laughs> อยากจะให้มันชํานาญหลัไปมันจะได้ไม่หวานไม่ไม่หวันว่นไหวกับทุกขเวทนาในรูปแบบต่างๆเจ้าค่ะเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะขอบพระคุณคุณนุ๊ปน กับบ้านกลับถึงบ้านแล้วหรอมามาอยู่วัดสามวันกับนมัศการค่ะพระอาจารย์ถึงบ้านตอนประมาณเที่ยงครึ่งค่ะคะอะเป็นยังไงแม่เขาแฮปปี้ไม่มาอยู่วัดแฮปปี <Happy S 1> อ้อยู่ค่ะเขากินสองมื้อก็ไม่เอนจอยเท่าไหร่แต่ว่าก็หนูก็อยากให้ฝึกลองฝึกดูอ่จาจัดส่ว น, น เป็นเป็นวิธีทําบุญให้กับแม่ดีที่สุดพาแม่เข้าวัดนะรอบหน้าว่าจะพาอาจารย์ไปค่ะพาไปค่ะอาจารย์นะไม่ค่ะพาอาจารย์ไปวัดไปปฏิบัติธรรมอาจารย์ไหนนึงไทยอาจารย์ที่เรียนที่สอนแพทย์แผนไทยอะคะ่ะอ๋ออาจารย์ทีนี้ที่หนูบอกพระอาจารย์ว่าถ้าขึ้นเขาแล้วจะอดอาหารน่ะก็คือวันที่หนูปฏิบัติวันแรกข้างล่างอะ หนูกินน้อยลงครึ่งหนึ่งมือเดียวก็คือมันไม่อิ่มทีนี้พอสักเที่ยงเนี่ยมันก็เริ่มหิวแล้วอะ่ะคือมันก็คือความหิวมันก็เร่งให้เราปฏิบัติใช่แต่ว่าเหมือนสุดท้ายแล้วมันมันเพียค่ะเพราะว่าเราต้องเดินไปทำวัดเย็นทำวัดเช้าด้วยมันจะมีช่วงประมาณตอนที่จะไป ถวายอาหารที่สาราฉันน่ะคือเดินขึ้นบันไดแล้วมันมันเซอะค่ะเพราะปกติทุกครั้งที่ไปที่อยู่ข้างล่างอะ่ะหนูจะกินมื้อเดียวแต่ว่ากินอิ่มกินอิ่มเลยอะ่ะมันก็จ ะ, ม, จะมันก็จะปฏิบัติแบบปกติสักสี่โมงก็คือหิวแล้วก็เล่งให้เราปฏิบัติปฏิบัติมันก็จะเหมือนถ้าหิวก็ปฏิบัติหิวก็ปฏิบัติความหิวก็คือน้อยลงแบบ เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตนะคะก็เลยจะถามพระอาจารย์ว่าอย่างนี้คือหนูควรจะอดอาหารหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นเพราะว่าสภาพร่างกายเรามันไม่ค่อยดีเองถึงได้แบบมีมีอาการเซอะไรอย่างนี้หรือว่าสติไม่มากพอสมาธิไม่มาพอคือมันอาจก็จะเป็นทั้งสองอย่างคือบางคนเขาอดอาหารเขาก็ไม่เขาก็า ไ, มาาไม่มีปัญหา ร่างกายเขาก็ไม่อ่อนเพลียจนเกินไปยังสามารถทำอะไรได้เป็นปกติอยู่แล้วก็สติเขาก็ยังสามารถเจริญได้อยู่ก็มแีแต่ของหนูนี่อาจจะครั้งแรกแล้วมันร่างกายมันอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับมันก็เลยเกิดอาการหรือมันอา จ, จเกิดอาจจะเกิดจากอาการของกิเลสหรือเปล่าบางทีพอเราร่างกายมันเพลียหน่อยมันก็เลยไปซ้ําเติมให้มันเกิดความรู้สึกว่าไม่ไหวขึ้นมา มันมันมันเพียแบบว่าเหมือนเดินขึ้นบันไดแล้วมันเซ่ะค่ะก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นที่ร่างกายเราหรือเปล่าก็เลยไม่รู้ว่าก็ดูที่สติของเราด้วยถ้าตอนนั้นตอนตอนนั้นเรามีปัญหาว่ากวรจะลองใช้พุทโธพุทโธทําใจให้นิ่งดูถ้าใจให้ถ้าใจมันนิ่งมันก็อาจจะไม่ไม่ไม่เซไม่อะไรมันมันมีสติมันที่จะประคับประคองร่างกายได้คือมันอาจจะไม่นิ่งมากพอ อาจจะขาดสติใจเราไปว่ากังวลกับเรื่องของอาการของร่างกายจนลืมสติไปก็ได้ก็เลยอินไปกับเรื่องของร่างกายไปเพราะงั้น พ, <อ>พอเริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มหิวแล้วก็ต้องเริ่มพุดโธแต้องอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงความหิวอาจจะใช่เพราะว่าตอนช่วงเดินคือไม่ได้พุโทโธช่วงนั้น มันเซมันเซเลยถ้าเกิดว่านั่งอยู่กับที่อะไรอย่างนี้ค่ะหรือว่าเดินยยอยู่ในห้องอะไรเงีย้ยตนนาถ้าอดาหาก็ลองพยายามพุโทโธตัง้งตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นพยายามพุโทโธให้บ่อยถ้าเราไปอยู่คนเดียวเราก็จะพุโทโธได้ต่อเนื่องแล้วอาการของร่างกายมันก็จะไม่มากระท้อกระเทือนกับใจ ล, าลราเท่านั้นแล้วก็สังเกตดูว่าแล้วกันว่าร่างกายมันไม่สบายหรือเปล่า แต่มันไม่น่าไม่สบายนะเพราะไม่เพียงแต่แค่อดมือเดียววันนั้นอดวันเดียวพขึ้ น, น, นไปทั้งทีก็อยากจะแบบว่าอดไปเลยแบบลองดูค่ะก็ลองดูก็ได้หรือว่าถ้ามันคิดว่ามันเป็นอะไรก็อาจจะดื่มนมทักฝั่งหนึ่งก็ได้อะไรทั้ง น, นั้นช่วยเสริมกำลงังก่อนก็ไม่ไม่ถึงอดน้อยเปอร์เซ็นตแบบผ่อนอาหารก็ได้น่าจะน่าจะอดการดูแล้ว อ, อาจจะเป็นที่ตัวหนูเองด้วยอ่า น่าจะเป็นอาจจะเป็นเรื่องของสติขาดสติแล้วใจมันก็เลยไปไปยุ่งกับร่างกายมากจนเกินไปใช่ใชไปกังวลกับร่างกายมากเกินไปเพราปกติมันจะแบบว่าถ้าหิวปั๊บเราจะภาะวนาทันทีมันจะแบบเบ า, าลงทันทีอันนี้น่าจะลืมไปเอ่นั่นแหละถูกต้องนะที่เราอัญชานก็ เ, เพื่อกระตุ้นให้เราภาวนาะให้เราขยันภาวนาวันะทองสังเกตดูนะ ถ้าไม่หวาจริงๆก็ไม่ต้องไปฝืดมันรอทําโอกาสหน้าค่อยค่อยอ ย, อยลองใหม่ก็ได้สมมุติถ้าเกิดร่างการมันมีอาการจริงๆขึ้นมาเป็นลมขึ้นมาจริงๆนีค่ะก็ต้องปรับอาจจะพกอาจจะพกไปแต่ว่ายัางไม่เอาออกมาเนี่ยในรถหรือว่าเรามีปัญหาเรื่องเบาหวานหรือเปล่าบางคนเป็นเบาหวานขาดอาหารไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นนะคะ <Okay. S 2> ไม่ได้เป็น บางคนถ้าเป็นเบาหวานบางทีต้องมีน้ำตาลในเลือดพอประมาณถ้ามันไม่มีมันจะเริ่ ม, มจะเริ่มเวียนหัวเป็นลมได้แต่ถ้าปกติเราไม่มีปัญหาคงจะไม่ใช่คงจะเป็นเรื่องของการไม่ใช่สติมากกว่าคือมันคงขาดตอนไป ม, คคมีเท่านี้ค่ะโอเค ขอบคุณเวลาหิวอย่าไปอย่าไปคิดถึงความหิวความหิวเป็นเหมือนทุกขเวทนาอย่างพยายามหาจุดอุเบกขาเจอแบบที่เมื่อกี้คุณสุภัตตาพูดนะความหิวก็เป็นทุกขเวทนาอย่างเราอย่าไปสนใจมันยิ่งสนใจมันยิ่งทําให้เราวุนวาว่นวายเพอวุ่นวายเราใจเราก็จะไม่มีกําลังไม่มีอุเบกขาไม่นิ่งเฉยไม่เย็นไม่สบาย งั้นตอนนั้นต้องรีบพุโทโธแล้วต้องรีภาวนาแล้วเอ้าใจนะเ ข, ข้าใจค่ะโอเคไปที่คุณคันชิตคะคันชิตไต้หวันรัฐฐนบนรัตการกอรับอาจารย์ตอนนี้หนาวมากเห็นใส่เชือกหนาวหนาวครับวันนี้วันนี้เจ็ดองศาครับอ๋อเจ็ดองศาครับ มีหิมะไหมเคยหิมะเคยตกไหมแต่ยอดยอดเขามีหิมะครับมีหิมะก็วันยอดชาวเนีครับใ น, ะบ น, นตัวเมืองไม่มีนะใ น, นตัวม ไ, มไม่มีมไม่มีครับมีเต่หนาวลมแล้วก็ฝนตกครับยังไงวันนี้ไม่ต้องทํางานเลยอันนี้เลิกงานสี่โงครับก็ตั้งใจมารอเข้าสูมมากราบป้าจังครับ โอเคมีอะไรไหมก็ไม่มีครับก็ยังปฏิบัติถ้ามีเวลาก็าปฏิบัติครับอ่พยายามทาให้มากนะครับโอเคเข้า okay. ไปที่คุณหมอพาสนาต่อคุณมหมอขอละเมอสการะพระ อ, อาจารย์นะก็ยังยังคงสงบแล้วก็สบายนะพระ อ, อาจารย์แล้วก็ไม่เครียด <tedious. S 2> พระ อ, อาจารย์ก็ทำได้ไเรื่อย มีอันนึงอะค่ะพระอาจารย์ก็คือพอเจริญสมมาถะกับวิปัสสนาตลอดใช่ไหมคะมันพอมันยิ่งเห็นอริจังอนัตตาได้แบบง่ายขึ้นมันเหมือนนิ่งขึ้นแล้วมันก็จะเห็นได้ง่ายขึ้นนะมันก็เลยยิ่งมีกําลังใจในการทําแล้วมันก็สงบสบายค่ะพระอาจารย์ยังคงทําตลอดเลยคะ่ะจ้าทำไปเรื่อยๆยิ่งเห็นผลยิ่งมียิ่งยิ่งมีความเพี่ยนมากขึ้นความยินดีมากขึ้นฉันทาวิริยะก็จะเกิดขึ้นมากขึ้น อาจารย์ขอขอบคุณพระท่านใจมากเลยค่ะองต๋องสาธุจ้ะไปที่ดดอุดรคุณแด น, ดนา ก, การธรรมสถานค่ะพระอาจารย์ให้มีคําถามค่ะโอเคอย่างั้นไปเจริญรายต่อเลยมันเองการรม ก, กานพระอาจารย์ครับผมอ่า ก, ก็ยังปฏิบัติอยู่ครับทุกวันครับพระอาจารย์ครับอืก็สงบอยู่ครับพระอาจารย์ครับ โอเคแล้วผมเขามากราบอาจารย์แล้วก็ร่วมรับฟังครับผมโอเคสาธุอาจารย์แต่ผมขอท้าถันพระจันทร์แข็งแรงครับผมสาธุครับสาธุขอบคุณมณิการนครสีธรรมราชน้าที่ว่าขอไปไม่ไดนครค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เพื่อคือมีคําถามหนึ่งคำถามนะคะว่าจิตของเรามันจะมีปัญหา เกิดขึ้นจากการปล่อยวางอยากให้พู้อาจารย์ได้อธิบายให้การละการปล่อยวางตรงันก า, การปล่อยวางไม่ใช่เป็นปัญหาหรอกการปล่อยวางก็คือการตัดปัญหาหมดปัญหาให้ไม่รู้พูดขิดหรือเปล่าจิตที่ปล่อยวางได้ก็จิตสบาย <ใน S 1> จิตสงบใช่ไหมครับอาจารย์ความยึดติดต่างหาที่เป็นตัวปัญหาต้องต้องปล่อยวางเช่นร่างกายที่ต้องปล่อยวางให้ได้ มระเจ้าบอกปล่อยวางร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่ง mm hmm. บูบาสโมสุโขร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเกิดเจ็บตายการปล่อยวางร่างกายได้เป็นสุขอย่างยิ่งไม่ใช่ไปยึดติดกับร่างกายยึดติดกับร่างกายยิ่งทรมานอยากให้มันไม่เจ็บอยากให้มันไม่ตายนี่ยิ่งทรมานใหญ่อาจารย์นะอาจารไปฟังมาอยูที่ไหนมา ไม่ไม่ในไม่ได้ฟังมาจากที่ไหนหรวงพ่ออาจารย์แต่ว่าก็คือแล้วว่าสาเหตุที่ว่าเราทุกเพราะว่าเราไม่ได้ไม่มีการปล่อยวางอ่าใช่ใช่ทุกข์ก็เพราะไปยึดติดไม่ปล่อยวางต้องเาปล่อยวางกับทุกอย่างนะทรัพย์สมบัติเจ้าของเงินทองอะไรทั้งหมดก็ปล่อยวางไ ป, ม, ไปมันจะไปก็มันจะไปก็ต้องปล่อยมันไปอย่าไปทุกข์กับมันเจ้าค่ะ ให่เมื่อตอนวันนี้วันนี้สองแม่ลูกไม่เข้ามานะก็ไม่ไม่ทราบค่ะเมื่อกี้นี่คิดว่าจะได้ไม่ได้ถามคาถามให้กันาแล้วว่าฝนมันตกค<อ>่ะอาจารย์นาราที่ว่าฝนตกทั้งวันเลยช่ช่วงนี้ฝนหนักนะค่ะลูกไม่มีคาถามแล้วค่ะอาจารย์เน้นไปที่คุณมาลีวุ ธ, ธากาตปอธรรมอุตส่าหหลวงพ่อค่ะ พอได้ยินหนูไหมคะได้ยินชัดเจนเลยว่ามาเลยอันนี้ก็ไม่มีคำถาวก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันค่ะเออไม่มีคำถามก็จะได้ผ่านไปเลยนะเพราะคนเยอะค่ะหลวงพ่อโอเคยนไปที่<อ>คุณมางอนนะมังอนใช่บางอน สวัสดีค่ะกับพระอาจารย์ค่ะได้ยินนะคะอ่าได้ยินแล้วจเข้ามาครั้งที่สองค่ะพระอาจารย์อยู่สมุทสาครค่ะอ่าไปยังไงบ้างมีอะไรไหมก็จะก่อนหน้านี้หนูก็รุ่มรุ่มรอนๆคือไม่ค่อยอยู่กับล่องกับรอยก็เลยอ่าเริ่มต้นใหม่มาฟังธรรมสม่ําเสมอแล้วก็มาปฏิบัติแต่ทีเนี้ยปฏิบัติก็คือไม่ได้ตั้งเวลาแล้วค่ะก็คือพยายาม ดูว่าวันนั้นเรามีสติแค่ไหนหนูก็เริ่มต้นทำเมื่อวันพฤหัสที่แล้วรู้สึกว่าวันนั้นเหมือนสติมันจะมามากไหมคะก็คือหนูก็นั่งไปไม่ได้กำหนดว่าเป้าหมายมันจะได้นั่งนานได้แค่ไหนกันเลยนะคะระหว่างปฏิบัติก็เหมือนเหมือนจะมียุงกดัดคันมากเลยคะ่ะอยากจะเอามือไปเหมือนเข็มมันมาฉีดตรงนี้คะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็คงหายพยายามไม่ ไม่ไปไปสะ ก, กิดมันนั่งต่อก็นั่งต่อไปจนผ่านความคันก็หายไปสักพักหนึ่งขาก็ชาก็ชาก็หายไปจนไปไปม า, ม า, มาจบวันนั้นได้ประมาณชั่วโมงยี่สิบก็รู้สึกว่าเี่เราอดทนมาได้ครั้งนี้แบบมันเหมือนความทุกข์่ารู้สึกว่าเหมือนความทุกข์เราอดทนกับทุกข์มันแล้วมันก็มันก็หายไปเหมือนที่พระอาจารย์แบอบกว่ามัน มันก็เป็นธรรมดาของของทุกแต่ก่อนหน้าเนี่ยหนูรู้สึกว่าพอมีความทุกข์ปุ๊บหนูอยากจะบอกเฮ้ยทำไมต้องทุกข์ด้วยหนูไม่อยากจะรู้สึกทุกข์อะ่ะแต่พอหน้าั่งไปแล้วเรารู้สึกว่ามันก็คงจะเป็นความทุกข์ที่เราได้เรียนรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติเราต้องยอมรับมันอะไรเงี้ยวันนั้นก็เลยรู้สึกรู้สึกดีกับตัวเองว่าทําได้ทําได้นานหน่อยแต่พอมาวันรุ่งขึ้นก็ได้แค่ยี่สิบนาที อาจจะไม่พอยากจะให้มันเป็นเหมือนวันนั้ำเนาะค่ะถ้าอยากให้มันเป็นเหมือนนั้นมันก็ยังไม่เป็นใช่ใช่หนูไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะต้องเป็นถ้าได้เท่าเดิมก็แต่ก็คือพยายามจะทําทุกวันก็อยู่ที่สติของเราใช่ใช่ค่ะว่าเวันนั้นอาจจะดีหน่อยว่าเราเราได้นั่งได้นานแต่พอวันรุ่งขึ้นโอเคมันมันได้แค่นี้แล้วก็ทําต่อไปแต่ก็รู้สึกว่าไม่ฝืนเท่ากับเมื่อก่อนที่จะแบบจะนั่งอะค่ะคือมันโวันนี้ต้องนั่งล้ว อะไรเนี้ย ไ, ได้กี่นาทีก็จะนั่งเลยค่ะอืแล้วก็รู้สึกว่าพอนั่งนานเราพอเราไม่ได้กําหนดหรอะคะ่ะมันอยู่ที่ความรู้สึกว่าแสดงว่าเราเราเริ่มสงบขึ้นมันก็เลยรู้สึกว่าเหมือนหนูไม่รู้ว่ามันเรียกว่าคานิกาหรืออะไรหรือเปล่าค่ะแต่มันรู้สึกว่ายังไม่อยากจะถอนจากตรงนั้นนะคะ่ะ อ, อแบบนี้คือก็ออสมาธิถ้ามันไม่อยากจะถอนออาก็แสดงว่ามันยังไม่งหยุดมันยังสงบใช่ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้คือแค่ห้านาทีหนูก็อยากจะลุกแล้ว S <S แต่ตอนนี้คือ น, นั่งได้นานขึ้นแคค่น<อ>ีพยายามฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็มันก็จะได้นานขึ้นไปเรื่อยๆอนานบ้างนานบ้างไม่นานบ้างสลับกันไปแต่มันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆถ้า เ, เรามันพยายามฝึกสติตลอดทั้งวันนะอย่าอย่าปล่อยสตินะอย่ามาทําเฉพาะตอนที่เรานั่งอย่างเดียวต้องฝึกสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลย ต้องเมตั้งขึ้นมาว่าตั้งสติก่อนน่าจะไปทําอะไรก็มีสติอยู่กับการทําของเราไปเรื่อยๆค่ะผู้ อ, อาวาารย์แล้วก็อีกอีกคําถามหนึ่งค่ะคือพอหนูตังต้งเป้าหมายแล้วว่าโอเคอยากจะมาทางทางธรรมแล้วแตทีนี้ยทางโลกอะค่ะก็รู้สึกว่าชีวิตการงานมันก็น่าจะเป็นช่วงที่ที่ดีที่สุดผ่านมาแล้วตอนนี้มันกําลังมันจะเป็นเหมือนทางลงแล้วค่ะหนูก็เลยเออไม่เป็นไรก็ ก็ระวางทางนั้นอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้อยากจะได้ทางนั้นมากไปเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงรรี้ยค่ะก็เลยคิดว่าจะเตรียมตัวเพื่อจะเป็นเหมือนนักปฏิบัติเต็มตัวเพื่อเพื่อจะวางแผนไปก็ เ, เริ่มจะอยากจะทําเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้ทํางานประจําแต่ทีนี้เจ้านายก็ยังรู้สึกว่ายังไม่อยากปล่อยเราตอนแรกหรือวางแผนว่าจะทำฟรีแลนซ์ตั้งแต่ปลายปีแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เป็นอย่างใจคิดก็คือก็ต้องกลับไปทําประจํา แต่ในใจลึกๆก็ยังรู้สึกว่าอยากจะทําเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เกินเกินบอกเจ้านายไหมว่าหนูอยากจะทําเป็นฟรีแลนซ์นะพี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่นะตอนนี้ก็คือมันเหมือนความสุขทางทางโลกอ่ะมันมันไม่ไม่พอยิ่งเราไม่อยากได้อยากมีอ่ะมันก็ไม่ขยันทงางานอะ่ะฟาษามันเหมือนแบบเบื่อแต่ทางทำก็ยังไม่ถึงจุดที่จะจะบอกจะไปได้ขนาดนั้นแค่เตรียมตัวไว้ว่าเดี๋ยวฉันจะต้องเดินทางนี้ค่ะ แต่ทางโลกนะตอนนี้คือหนูไม่มันไม่ได้มีมันเหมือนว่าหมดแพชชั่นอย่างนั้นได้ไหมคะได้ก็ถือว่าก็ถืแล้วอยู่ที่ว่าต้องมีความกล้าหาญพอที่จะจะไปในทางที่เราเลือกแต่หนูก็บอกพ่อแม่ไว้ว่าโอเคหนูไม่ได้อยากจะทํางานประจําแล้วนะจะมาทางนี้แล้วอย่างเงี้ยท่านก็เพื่อท่านเข้าใจหนูด้วยนี่ค่ะแต่ว่าท่านก็กลัวว่าถ้ายิ่งไม่ทํางานประจำมาทําฟรีแลน์ กลัวหนูจะบอกเหมือนเข่งไปทางในนี้เกินไปออกจากทางโลกเร็วไปไหมอะไรเงี้ยค่ะไม่เร็วนะยิ่งไปได้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีเพราะทีเนี้ยพออีกข้อนึ่งอะค่ะพอหนูหนูคิดว่าโอเคเป้าหมายมันคือทางนี้ละแต่ว่าทางโลกเขาก็บอกว่าหนูเจ้าแต่ใจตัวเองว่าจะมาทางนี้อย่างเดียวเลยแล้วก็พอยิ่งมาปฏิบัติกับคนเดียวเงี้ยมันไม่ได้มีอะไรมากระตุ้นอะค่ะแต่บอกไปทํางานเนี่ยมันมีสิ่งกระตุ้น มันได้เห็นจิตตัวเองด้วยว่าแบบเราก็เพิ่มแค่ไหนกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยก็เลยนะ ค, คิดในแบบหรือตอนนี้อาจจะยังไม่ตัดสินใจให้แน่ชัดทําไปก่อนแล้วก็ดูว่าว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเราตัดไปมันเหมือนกําลังเดินทั้งสองทางอยู่พระอาจารย์มันยังเลือกทางแบบชัดๆไม่ได้อะ่ะก็อย่างน้อยเราไปเป้าหมายแล้วว่าเราจะไปทํางทำเราก็ค่อยก็เราต้องพยายามเปลี่ยนเลนเนี่ยเป็นช่อง เราเคยอยู่ช่องขวาสุดก็ค่อยๆขยับเข้าช่องกลางเข้าช่องซ้ายไปแต่แ ต, ตลึกๆก็รู้อยู่ว่ามันมาทางนี้แน่ฉันไม่อยู่แน่กับอันนั้นนะคะคือเพราะว่าเราก็เตรียมตัวในทังเรื่องความแบบมักน้อยสันโดษความไม่อยากได้อยากมีอะไรอ่งี้ค่ะถ้าอยากจะไปง่ายคือนก็ต้องปฏิบัติให้มันมากขึ้นได้ผลมากขึ้นแล้วมันก็จะมีกําลังมากขึ้นอันนี้กําลังยังไม่มากพ อ, อก็พยายามฝึกสติสมาธิต่อไปเนี่ย และเป็นภาร ะ, ะขึ้นมาสติสมาธิตอนนี้เป็นเอซียังไม่ยังไม่เต็มร้อยยังได้แค่อยังอยู่ในระดับอินซีอยู่ยัง uh huh. ลอง เ, เพิ่มเพิ่มเพิ่มฝึกสติเพิ่มฝึกสมาธิเพิ่มพเพิ่มศรทมมัทธาเรื่องการเข้าฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมอย่างนี้อยู่เรื่อยๆ uh huh. มันก็จะเกิดกําลังใจขึ้นมาทําให้เราปฏิบัติได้มากขึ้นพอได้ผลมากขึ้นมันก็ในที่สุดมันก็จะไปได้เอง าาเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องบินอะ่ะมันจะบินขึ้นฟ้าได้มันต้องมีลันวิลอยาวใช่ไนหะมต้องมีทางวิ่ง ย, วยาวๆมันพอวิ่งแล้วความเรยวันเต็มที่มันก็ขึ้นได้เองวันนี้เรายังลันวิเราอย่างอาจจะสั้นอยู่การปฏิบัติของเรายังไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้มข้นพอที่จะดึงใจเราให้ออกจากโลกไปได้แล้วก็อีกคำถนาม น, นะคะอาจารย์อย่างคือกิเลสอะคะ่ะเราควรจะ ไปอย่างนี้หนูเริ่มเริ่มมองตัวเองว่าโอเคหนูมีข้อเสียอะไรบ้างที่จะไม่ไปเพ่งโทษคนอื่นหากิเลสของตัวเองว่าฉันเป็นคนยังไงเพื่อจะบอกว่ากิเลสตัวเนี้ยเราควรจะเหมือนเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรไม่ตามใจกิเลสหรอคะใช่จบก้าวเราควรจะฆ่าตัวกิเลสตัวเล็กๆก่อนหรือว่ากิเลสตัวใหญ่ๆค่ะเพราะว่าตัวไหนตัวไหนมาก่อนน้าฆ่ามันได้ก็ฆ่าเลยฆ่าเลยทุกตัวเลยอ่าไม่ต้องรอให้มีปัญญาแล้วฆ่าตัวใหญ่ใช่ไหม ก็ถ้าเรารู huh. então, lá, ้ว่ามันกิเลสมันก็เป็นปัญญาแล้วอ่ะอย่างตัวไหนมันมาก่อนก็เอาตัวนั้นก่อนนะไม่ใช่ว่าตัวนี้มันตัวนี้ไม่เป็นไรมันยังมันนานแล้วปล่อยมันไปไม่ได้หรอกไอตัวที่ยังไม่มาเราไม่ต้องไปกังวลอ่ะกังวลแต่ตัวที่มันมาปัญญาเนาะเพราะเพราะมันไม่ได้มาทีเดียวพร้อมกันหมดมันก็เข้าคิวมากันผัดกันเข้ามาเดี๋ยวอยากอย่างนั้นเดี๋ยวอยากอย่างนี้เดี๋ยวไม่ชอบอย่างนั้นเดี๋ยวไม่ชอบอย่างนี้ ก็ต้องแก้ไปเรื่อยๆแก้ในขณะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทันด่วนเนี่แล้วก็ในเวลาที่ปฏิบัติาหนูพยายามแบบไม่ทําแบบเดิมๆเพื่อจะรู้ว่ามันอาทิตย์นี้มันเป็นยังไงเดือนนี้เป็นยังไงถ้าทําแบบเดิมแล้วมันมันยังเป็นแบบเดิมก็พยายามถามแบบเหมือนอากาลิโกค้ค่ะว่าตัวเองแบบน่าจะไปแบบไหนเพื่อจะฝึกไม่ให้ให้มันรู้ตัวเองอ่ะว่าฉันเหมือนกิเลสของฟองหลูว่ามันอาจจะแบบ ไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ลองผิดลองถูกดูว่าแบบยิ่งมันประมาณมนั้นเป็นตัวกับเราก็ได้ว่าจะต้องประมาณไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็ต้องอยู่ภาในกรอบของเหตุผลนะคือต้องอยู่ในกรอบของสติค่ะนี่วิธีเจริญสติของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันบางคนจะท่องพุทโธเป็นทั้ ง, งวันบางคนก็อาจจะระลึกถึงความตายไปทั้งวันก็ได้อันนี้มันแล้วแต่แล้วแต่เฉลี่ยชงแต่ละคนไดค่ะพระอาจารย์ก็จะน้อมนาคำํา ก่อนผมพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติต่อไปอยินดีสาธุขอให้ทําถะแล้วเดี๋ยวมันก็จะไปได้เอา่าสาธาุสาุพระอาจารย์มันเช่นค่ะโอเคไปที่โกเบคุณจุ๊บอยู่ประเทศโกเบอยู่ประเทศญี่ปุ่นอันนี้เกือบสามทุ่มกว่าแล้วเนี่ยนะห้าทุ่กว่าแล้วไม่ได้สา ท, ทุมาตึ้งค่ะตึงสาสองค่ะกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้หนูมีคําถามเรื่องการปฏิบัติเจ้าค่ะ คืออาทิตย์ที่ผ่านมาพระอาจารย์ให้หนูพุทโธพุทโธหนูก็พุทโธพุทโธตลอดนะคะพระอาจารย์จนตอนนี้ค่ะพระอาจารย์อย่างเมื่อเช้าเนี่ยค่ะพระอาจารย์หนูตื่นมานั่งสมาธิะคะ่ะพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆะค่ะพระอาจารย์แล้วหนูสังเกตว่าตอนที่เราพุทโธอยู่เนี่ยคือเราก็ไม่ละจากพุทโธนะคะแต่มันก็มีเหมือนแบ่งเป็นอีกจิตหนึ่งผุดเรื่องขึ้นมานะคะพระอาจารย์ตอนนั้นหนูก็ พยายามเฮ้ยมันผุดขึ้นมาก็พยายามที่จะแบบไม่คิดไม่คิดพุทโธพุทโธไม่คิดไม่คิดเลไอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้คือหนูทําถูกแล้วหรือเปล่าคะต้องอยู่กับพุทโธอย่างเดียวเนอาจจะมาเจอทางแยกนะมันมีสองเลนแล้วก็ชิดชิดอยู่ในเลนของเราต่อไปอย่าไปเลนหนึ่งขับรถถ้าเราอยู่ในเลนนี้แล้วก็เลยถึงแม้มันจะมีเลนใหม่แยกออกไปแล้วก็อย่าตามมันไปอย่าตามคือทําถูกแล้วใช่ไหมเจ้ะอยู่กัพุทโธไปอย่างเดียว อย่าไม่ต้อาไปสนใจกับความคิดเดี๋ยวมันก็หายไปเองบางทีเราเสือเราปล่อยให้มันคิดขึ้นมาพกกู่กับพุทโธไปเราเราก็กดกดไว้ว่าไม่คิดไม่คิดเราพุทโธกลับมาที่พุทโธกลัมาที่พุทโธอย่างเดียวไม่ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปกดมันมันจะคิดว่าไม่ต้องไปให้ความสําคัญกับมันเดี๋ยวมันก็หายไปเองแล้วค่ะดีมมันหนูหนูหนูทำเมื่อเช้าเนี่ยค่ะพระอาจารย์แล้วมันดีมากคือมันหนู เหมือนเหมือนจิตมันอยู่กับพุโทโธใช่ไหมเจ้าคะ เ, าเวลามันผ่านเร็วมากเลยค่ะพระอาจารย์ใจว่างใจเย็ยนขึ้ น, ใ จ, นใจเบานหนุก่กหนูหนูมามาเลิกก็ตอนที่เสียงนาฬิกามันมันดังนะคะพระอาจารย์ก็ตกใจว่าเอ๊ะเรานั่งไปแป๊บเดียวมีความรู้สึกเหมือนนั่งแป๊บเดียวแต่ทําไมมันเวลามันผ่านไปนานนาน อ, อะไรอย่างเงี้คาายค่ะว่าก็เวลา้ลวลเวลาสงบแล้วเวลาเหมือนกับมันไม่มัน มันไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเราจ้าค่ะแล้วมีอย่างหนึ่งคือหนูสังเกตว่าตอนที่เราพยายามกดไม่ไม่คิดไม่คิดเนี่ยลมหายใจกับพุโทโธของเรามันจะเร็วขึ้นนะคะพระอาจารย์มันมันมันเร็วขึ้นมากเลยค่ะลมหายใจเข้าออกคือความจริงถ้าใช้พุโทโธก็ไม่ต้องใช้ลมหายใจก็ได้ไม่ไม่ต้องไปบางบางคำพันมันต้องอยู่ด้วยกัน อ๋อไม่ต้องไม่ต้องก็ได้ใช่ไหมเจ้าคะ่ะใช่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เอาพูดโท่อย่างเดียวก็ได้จะได้จะได้ท่องช้าช้าก็ได้เร็วก็ได้ถ้าม า, ารูกกับลมมันก็ต้องรองจังหวะของลมอย่างเดียวเจ้าค่ะหนูจะเอาไปปฏิบัติเจ้าค่ะวันนี้<ม>ก็มีเท่านี้จ้ะพระอาจารย์มีอะไรให้หนูปฏิบัติเพิ่มไหมไม่เจ้าค่ะก็ฝึกพูดโทไปเรื่อยๆนอกจากเวลานั่งแล้วก็ต้องเวลาไม่นั่งออกจากออกจากการนั่งสมาธิแล้วก็พูดโทต่อไปเจ้าค่ะ ไม่คอยดูว่าร่างกายเรากำลังทําอะไรอยู่กํลาลังแปอาบน้ํากํลาลังล้างหน้าแปรงฟันกาลังแต่งหน้าแต่งตัวก็ให้อยู่กับการทํางานไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดเรื่องอื่นเหมือนก็ตอนที่เราใช้พูดโธพูดโธแล้วค่ะเราจ้าไปปฏิบัติจ้ะค่ะเขอบคุณแพทย์ตาบค่ะสาธุจ้ะอ <Okay. S 1> ดีตพันธการคุณพันธการอยู่ที่ไหน นมามนะัส ก, การพระอาจารย์อยู่ที่ไหนจ้าอยู่ชนบุรีค่ะเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมเคยเข้ามาแล้วค่ะโอเควันนี้มีอะไรไหมเปล่ามีหนึ่งคำถามค่ะพระอาจารย์อืมว่าอะไรค่ะจะสอบถามพระอาจารย์ว่าเวหนูทําทงานอยู่กับการช่วยเหลือสัตว์ใช่ไหมคะการดูแลสัตว์อะไรแบบเนี้ยแต่ว่า มันก็จะไม่เหมือนกับการดูแลคนที่เราจะพูดจา ก, กับเขาได้ว่าเรากําลังช่วยเขาอยู่แต่เนี้ยพอเราช่วยเขาเนี่ยเขาไม่รู้ว่าเราช่วยเขาก็เกิดความหวาดกลัวหรือว่าเป็นความกลัวขึ้นมามากเลยอะค่ะอย่างเนี้ยคือเราจะเป็นการสร้างบาปในใ น, ในอาชีพเราด้วยหรือเปล่าคะอ๋อไม่หรอกเราทําความดีเราช่วยเขารักษาให้ก็หายเขาก็เจ็บคไายได้ป่วยที่นิสั์เขาไม่รู้ก็ไม่เข้าใจ เพาะว่าเวลารักษาอะจะต้องทำให้เขาเจ็บเขาก็เลยกลัวขึ้นมาค่ะูกตรงความหวาดกลัวตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับเราไหมคะไม่มีหรอกไม่เกี่ยวกับเรามันยึ่ก็เราทาวิธีให้ก็ไม่หวาดกลัวในก่อนที่จะไปทําให้เขาเจ็บก็พยายามลู้หัวเขาเลือกอะไรเขาให้เขารู้ว่าไม่ได้มาทําร้ายเขานะ้าอะไรทำแบบนี้ค่ะพาจารนแอม ถ้าเรามีเจตนาดีแล้วการกระทําเป็นการกระทําที่ดีได้ผลดีกับเขาไม่ไม่เป็นแบาบปเป็นบุญค่ะคือหนูก็ตอนแรกหนูก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วพอสองปีหลังเนี่ยหนูมีอ่ามีอาการป่วยที่เป็นแบบเป็นแพนิกคราวนี้ก็เลยมาคิดถึงหมาแมวที่แบบว่าเราเราช่วยแล้วเขาเกิดความหวาดกลัวอะไรแบบเนี้ยก็เลยเยข้าใจความคิด ไม่เกี่ยวกันเลยนม่เกี่ยวแพนเนของเราเกิดจากการที่เราไม่มีปัญญามากกว่าไม่มีสติไม่มีปัญญาไปวไปวิตกหวาดกลัวกับเรื่องราวต่างๆโดยที่ไม่ยอมองความเป็นจริงต้องถึงต้องต้องมองความเป็นจริงของชีวิตบ้างชีวิตทุกชีวิตมีเกิดแล้วต้องมีดับเกิดแก่เจ็บตายไม่ต้องไปกลัวเป็นเรื่องครึ่งหนึ่งของเราคือร่างกายนี้นเป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเราไอ้ครึ่งหนึ่งเราไม่ได้แก่เจ็บตายเหมือร่างกาย คือกาเราเนี่ยไม่เคยเป็นอะไรแม่ต้องมีความมุ่ยตอกกลงวลัร่างกายตายไปแล้วก็เปลี่ยนร่างกายใหม่ได้ค่อาจารย์ก็ตั้งแต่คุณแม่พามาเจอพระอาจารย์ก็อาการก็ดีขึ้นเยอะมากแล้วก็ได้ได้ถอดถอดวิดีโอถอดเทปพระอาจารย์ออกมาเป็นเป็นเป็นแบบเป็นตัวพิมพ์อะค่ ะ, ะก็ช่วยหนูได้เยอะมากเลยค่ะอืะมพยามศึกษาความจริงอย่าไปกลัวความจริง ที่ร่างกายไม่ใช่ตัวเราให้ถึงยึดหลักนี้ไว้ให้ดีร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราเป็นผู้ใช้ร่างกายถ้าถ้าหนูพิจารณาแบบนี้บ่อยๆได้เนี่ยอาการของหนูก็จะสามารถดีขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องกินยาได้ใช่ไหมใช่แนะน่นอนเราก็จะลดความกลัวได้ยอมรับความจริงได้ว่าเราไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราเป็นเหมือนคนขี่มา้าม้าเป็นอะไรคนขี่ม้าก็ไม่ได้เป็นอะไรไปกับมา้าก่าอย่างนี้น ความตายอืมเนี่ยเราไม่เข้าใจเราไปหลงไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยกลัวกลัวกลัวความเจ็บความตายกันอืมใช่ค่ะตอนกลัวมันกลัวมากกลัวจนเย็นว่าไปทั้งตัวเลยค่ะเวลาเปแล้วใจความกลัวให้ท่องพุทโธพุทโธไปดึงสติกลับมาถ้ามีสติแล้วเดี๋ยวมันหยุดความกลัวได้ค่ะผ่าจานนะอย่าเลินนะอย่าเลินบริกรรมพุทโธฝึกฝึกึกไว้บ่อย พอเกิด okay. ความกลัวขึ้นมาก็จะได้เท่องจะได้หนึ่งพุทโธออกมาได้เราไม่อยูกับ<ก>พุทโธสภาพเงินใจก็เย็นหายกลัวตอนตอนเป็นเยอะๆหนูก็นั่งหลับตาทําสมาธิไม่ได้เลยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือนั่งหลับตาอะไรได้เราไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แล้วค่ะอืก็เริ่มเริ่มแบบเริ่มทําสมาธิสั้นๆได้ค่ ะ, ะเพยายามฝึกให้มากๆบ่อยๆมันเป็นเทพพึ่งของเราจะรักษาโรกทางใจได้นะ เลือกเครียดเลือกความวิตกกังวลหวาดกลัวต่างๆนี่มันใช้ธรรมะของพระเจ้าดับได้หมดเลยใช้สติก่อนแล้วก็ใช้ปัญญายอมรับความจริงอะไรมันจะดับเราก็ห้ามมันไม่ได้อะไรมันจะเป็นแม้เราก็ห้ามมันไม่ได้ก็ปล่อยมันเป็นไปแต่ความกลัวนี่เราสามารถดับมันได้ด้วยการยอมรับความจริงองร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยให้มันไปออ่าอาจารย์ นะมีคำถามมีคาถามเท่านี้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปฟังธรรมหนากุติค่ะโ okay, <started>. yeah. อเคสาธุกับขอบพระคุณค่ ะ, ะไปที่แคนซัสคุณยินดีเป็นไงลายนิ่อากาศยังหนาวอยู่มั้นี่ดีขึ้นแล้วค่ะเหมือนคุณพัฒนาค่ะถ้าจะดีขึ้นค่ะแต่คือไม่ติดลบที่เฉยแต่ก็ยังหนาวอยู่ค่ะก็ศูนย์ลบสอง อยู่ในประมาณนี้ค่ะทิ้นี้ค่ะท่านา mm hmm. อาจ า, ารย์ค่ะท่านท่า huh. นอาจารย์คะเอ่อก็อยากจะตอบถามคำ ถ, ถามจากเอ่อจากเอ่อคำถามที่น้องพอแลนเขาถามอะค่ะลูกก็อยากจะทราบว่าเวลาเราแบบลด้วยความที่ว่าอยากจะทราบว่าพวกชั้นเทวดาเนี่ยค่ะท่านอาจารย์จะไม่สามารถที่จะมีความโชคดีในการเจอเอ่อ บุคคลพระอริยะที่มาแบบโปรดเหมือนเหล่ามนุษย์เหมือนทุกวันนี้ที่เจอท่านอาจารย์เนี่ยในการใช้เข็มทิศเ อ, อเพื่อที่ว่าจะได้มีการปฏิบัติทำให้มันสูงขึ้นมันต<ม>้อง ม, มีเหมือนกันแต่มันยากเพราะว่าพราะอาารหันหรือพระอริยะที่สามารถติดต่อปฏิวัติได้เนี่ยมีน้อยฉะนั้นร้อยรูปนี้อ่จจะมีแค่ห้ารูปที่สามมี มีความสามารถพิเศษที่จะติดต่อกับพวกเทวด า, าได้อ๋อค่ะเพราะด้วยความที่ว่าหนู่คุยกับเอทางพี่คนหนึ่งอะค่ะเขาก็มาทางทางเหมือนกันแต่คือเขาก็อีกสายนึงหนูอีกสายหนึ่งหนูก็บอกของหนูก็เ อ, อท่านอาจารย์นะคะแล้วเขาก็บอกว่าเมันยากทางถ้าไปทางนิพพานนะ่ยมันยากของแกเนี่ยขอขอแก้ขอไปแค่พรมพอก่อนแล้วจากนั้นปุ๊บอะ ถึงท่านนั้นแล้วอะเราจะไปไหนเราก็ไปได้เราสามารถที่จะเลือกได้หนูก็เลยมีความรู้สึกว่าพอดีน้องขอดแลนที่น้องเขาถามท่านอาจารย์นะคะว่าถ้าชั้นเทวดาเนี่ยก็ไปถึงท่านเทวดาใช่ไหมคะหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะรู้ตรงนี้ในในกรณีตรงนี้มันมันสามารถที่ว่าจะปฏิบัติเพิ่มขึ้นไปได้เหรอคะโดยที่ว่าไม่ตกลงมาอะไรเนี่ยคะ่ะเป็นมนุษย์อีกทีเพราะที่จากที่ได้ยินได้ฟังจากท่านอาจารย์ท่านอาจารย์บอกว่า ถ้าลงมนุษย์มีชั้นมนุษย์เนี่ยแหละที่โชคดีที่สุดแล้วที่สามารถที่จะไปถึงเออ่ในขั้นไหนที่เราต้องการก็คือที่นิพพานได้เลยคือไปเป็นเทวดาเดี๋ยวบุญหมดมันก็เสื่อมลงมาเกิดเป็นมนุษย์ไปเป็นพรหมพอสมาธิหมดกําลังมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ใช่ค่ะถ้านอาจารย์ที่หนูฟังท่านอาจารย์มาแต่ท่านแ ต, แต่แต่พี่คนนี้ท่านก็เถียงกับหนูว่าไม่ใช่คือถ้าเกิดไปอยู่เป็นพรหมก็สามารถที่จะเลือกเดินแบบ เลือกปฏิบัติได้ว่าจะไปต่อเป็นจะไปต่อถึงพระนิพพานหรือเปล่าแต่ตอนนี้ขอให้ได้พรมก่อนท่านก็ออมันพรมมีสองแบบนยพรมที่ไปด้วยสติกับพรมที่ไปด้วยปัญญาแล้วพรมที่ไปด้วยปัญญานี่ก็คือพระอนาคามีขั้นที่สามถ้าเป็นพระอนาคามีก็ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต่อต่อจากนั้นก็ไปนิพพานต่อได้เลย อ๋อค่ะท่านอาจารย์ค่ะแต่ถ้ า, าถ้าถ้าเป็นพรหมที่ได้จากสตินี่มันต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เวลาสติอ่อนกําลังลงสมาธิอ่อนกำลังลงก็ต้องมาเกิดใหม่เกิดเป็นมนุษย์ใหม่ค่ะท่านอาจารย์ค่ะรูกทราบแล้วค่ะคือคือพี่แกก็ไม่ได้แบบนั่งสมาธิคือพี่แกจะแบบใช้ระบบสวดมนต์อย่างเดียวแต่สวดมนต์ของท่านแต่สวดมนต์ของพี่เขานานอยู่นะคะสองชั่วโมง อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่หนูก็เลยบอกว่าเวลาสวนเสร็จทําไมพี่ไม่ลองนั่งสมาที่ดูดูหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอของของของเขาเนี่ยมันก็อย่างนี้หนูก็เลยแบบไม่ได้เถียงไม่ได้อะไรหนูก็ไม่ได้หนูก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วเขาอธิบายให้หนูฟังในลักษณะนี้หนูก็เลยหนูก็เลยจะมาไขาข้อสงสัยกับท่านอาจารย์ตรงจุดนี้ค่ะท่านอาจารย์ทางใครทางมันธรรมะแต่ละคนมันมีรายละเอียดเยอะแยะมามาพูดจนถ้ามันไม่เอามา อามาเปรียบที่บมาบอกว่าไปยังไงมึงพูดกันเดี๋ยวว่าทะเลาะ ก, กันไปหเปล่าคนเราเรื่องกั น, นมไม่ได้เถียงแค่ค่ะอาจารย์ค่ะลูกเขาขคุณมาแล้วก็เดวิดก็เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ก่อนไปทํางานก็บอนชองเทศท่านอาจารย์คย่ะฝากความและท่าอาจารย์ฝากความขอบคุณให้เขาด้วยนะค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์อย่างสูงค่ะท่านอาจารย<า>์นะจู่อ่ากลับไปเที่ยวเองคุณนิสาเป็นยังไงไปถึงพรอมหรอยังไปถึงพรอมโลกหรือยัง ค่ะพระอาจารย์ อ, อวันนี้ก็ได้คําตอบดีๆเยอะเลยค่ะพระอาจารย์ถึงทราบ<ด>ว่าเอพรมมีแบบเป็นปัญญาแล้วก็เป็นสติอ่ะค่ะพระอาจารย์ใ<ด>อ่ค่ะตอนนี้ลูกก็ปฏิบัติเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์เน้นเรื่องสติค่ะพระอาจารย์เพราะว่า<ด>อยากจะนั่งได้แบบต่อเนื่องนานๆ น, นะคะรู้ตัวว่าน่าจะขาดแบบสติไม่พอค่ะะอ า, พ า, พา<ด>จารย์ ขาอุเบกขาไม่มีกําลังที่จะสู้กับติเลสความอยาอ่าแล้วก็ตอนที่มันสงบอะค่ะเหมือนกับมันนิ่งสงบรู้สึกว่ามันอยากให้อยู่นานๆแต่ว่ามันมันนานไม่พอนี่แสดงว่าเราสติน้อยไปใช่ไหมคะพระอาจายใช่อยากไปอยากมันอยากไม่ได้ยิ่งอยากยิ่ง่งยิ่งไม่สงบใหญ่ให้อยู่กับสติไปเรื่อยๆอย่างเดียวพุทโธไปนูนลมไปก็ได้น้ะแต่เราใช้อย่างไหนก็เอาอย่างนั้น ค่ะพระอาจารย์คือคือตอนที่ลูกแบบคือตอนที่มันสงบสบายแบบนิ่งสักพักหนึ่งอะคะ่ะลูกไม่มั่นใจว่ามันนานแค่ไหนแต่ว่ารู้ว่าสักพักหนึ่งแต่ว่ามันพอสติเราหลุดอ ะ, ค, ะค่ะพระอาจารย์เรากะกลับมาที่ที่ลมหายใจอะคะ่ะมันมันเหมือนมันลมหายใจมันไม่เจออะคะ่ะพระอาจารย์มันหาย ไ, ไปอะคะ่ะลูกต้องกลับมาที่พุทโธก็ได้ค<ช>่ะ หรือถ้าเราหยุดความอยากหยุดความคิดได้มันไม่ต้องกลับมาก็ได้หยุดมันได้หรืเปล่าคือคือให้มันนิ่งแต่แต่ตอนนั้นมันความรู้สึกของรู้ว่ามันจะอึดอัดนะคะพระอาจารย์มันอยากจะลุกแล้วมันอยากจะไปแล้วอืมันเหมือนมันเหมือนมันมันไม่ได้อยากจะรู้ค่ะพระอาจารย์แต่ว่ามันอึดอัดจนทําให้เราต้องลืมตาแล้วแล้วเราก็แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยต้องเริ่มใหม่โดยการที่เราต้องดูลมหายใจเหมือนกับ หรือถ้ามันมันมันไม่ลืมตาแล้วมันจะหางลมหายใจไม่เจอค่ะอาจารย์เราได้พระพุทโธไปก็ได้อย่างไรอย่างอาจารย์อืมค่ะพระอาจารย์ค่ะก็เนี่ยรู้สึกว่าหรือว่าเป็นเป็นที่ว่าลูกต้องไปฝึกสติให้มากกว่านี้ใช่ไหมคะใช่ก่อนจะมานั่งก็ต้องฝึกเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเริ่มฝึกตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยเดงขึ้นมาพระพุทโธพุทโธแล้วแล้วดูร่างกาย ถ้าเราไม่ได้นั่งไม่ต้อ ง, งดูหลวงดูร่างกายแทนดูล่ า, ากนกายตอนนี้กําลังทําอะไรกําลังยืนกำลังเดินกําลังล้างหน้าแปรงฟันกงองน้ำอาบน้ำให้อยู่กับร่างกายไปตลอดเวลาอย่าไปคิดเรื่องนั้นเร้่งนี้ค่ะพระอาจารย์ก็เ ว, าวลามานั่งจะนั่งได้นานขึ้นจะสงบได้นานได้นานขึ้นค่ะพระอาจารย์จากน้อมนําปฏิบัติค่ะพระอาจารย์วันนี้ได้ ได้คำตอบดีๆเยอะเลยค่ะพรอาจารย์ค่ะค่ะฝากทุกค่ะพระอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะอ่าไปนี่คุณพระฤดาฤดาไม่ ไ, ไงไปบวชจีมาที่ยินเดียดีไหมเดียดา้องเสร็จก่อนนะค่ะการวัชการภรอาจารย์ค่ะดีมากค่ะอืมแต่ว่าก็ก็ได้ได้บทเรียนกันที่ไปคุยกับภระาจารย์แล้วก็อืม มองไม่เห็นความดีใจค่ะ mm hmm. ตอนบวชแต่ไม่เห็นตอนตอนจะสึกที่แบบ เ, เสียใจอะไรอันนั้นจัด ก, การได้แต่ตอนที่ดีใจมองไม่เห็นเลยจนพระอาจารย์ชี้ให้เห็น mm hmm. ก็กำลังพิจารณาว่าอ๋อยึด mm hmm. อันนี้คือทำอารมณ์ใช่ไหมคะมันยังยึดติดรูป แ, แบบ่รูปแบบรูปแบบรูปแบบของของร่างใจของ ของการปฏิบัติอยู่ด้วยความจริงการปฏิบัติให้มันมันต้องมีรูปแบบมันปฏิบัติได้ใ น, ในทุกสภาพจะเป็นชีก็ได้จะเป็นไม่ไมันไม่ได้เป็นนักบวชก็ได้มันมนอยู่ที่การเจริญสติสมาธิปัญญาใช่ไหมว่าที่เป็นตัวตัวบวชจริงๆถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ถืกกอว่ากำลังบวชเนี่ย พราะว่าถึงตอนตอนที่โกนผมแล้วก็ยังเฉยอยู่ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอาการอะไรก็ยังยังปกติมันมันแล้วพอตอนเหมืนเหมือนกับว่วดแล้วอะเริ่มแล้วมันอาจจะยินดีนะว่าเราเราชนะกิเลสมื่อก่อนนี้แล้วเราเรายลกรูปรูปร่างกายของเราอยู่แล้วมันก็ขาดรักกิเลสตัวนี้ได้แล้วก็อาจจะมีความปิติมีความสุขก็เลยเผลอไป เาก็ต้องเราก็ต้องปล่อยวางว่ามันก็เป็นมันก็เป็นขั้นหนึ่งของการปฏิบัติที่เราผ่านแล้วแล้วก็ไม่ยึดติดกับความสวยงามของร่างกายได้แล้วเราก็สบายใจไปค่ะพระอาจารย์อาจาบอกฝึกซ้อมโดดล่มซ้อมไปสั่ค่ะก็ก็ได้ประโยชน์เยอะค่ะพอดีนี่ก็มันก็มันเป็นการเป็นการเหมือนกับทดสอบใจแล้วว่ามัน มันท้าทายเราว่ากล้าหรือเปล่ากล้าทำหรือเปล่าเราเราก็กล้าแเราก็ทําได้แล้วก็มีความปลื้มปิติในในความสามารถของเราไปค่ะแต่แล้วก็อย่าไปติดอยู่ตรงนั้นนั้นก็เป็นแค่ขั้นหนึ่งขั้นที่เรายังต้องทําต่อไปนอกจากการปล่อยวางความช่วยพ้างวางของ ร, าองราอง่างกายแล้วก็ต้องปล่อยเวลามันแก่มันเจ็บมันตายแล้วก็ต้องไม่ไปทุกกับมันต่อไปค่ะพระอาจารย์กลับมาก็ไปที่ไหนเดินก็ ไม่ไม่ค่อยใส่หมวกอะไรเลยค่ะก็ไปอไม่มีใครไม่มีใครก็สนใจเราเราเราสนใจตัวเราเองมากกว่าไม่มีใครไม่มีใครสนใจหรอกค่ะใช่คนอื่นเขาก็เขาเขาอยู่ในชีวิตของเขาอยู่แล้วก็าจะมาสนใจกับคนหัวนอนทำไมช่ะเดนนี่เขาก็มองแค่นั้นแล้วก็ไม่แต่เราเนาะชอบไปกังวลกับใช่ค่ะความรู้สึกของคนอื่นทั้งทั้งที่เขาไม่มาสนใจอะไรกับเราเลยหนูก็ไปแบบนี้เลยไม่ไม่ ไม่ไม่สนใจก็ดูดูเหมือนกันเพราะว่าดูว่าเราจะรู้สึกยังไงเหมือนกั น, นะอะไรเงี้ยค่ะมันจะดูดูตัวเองไปด้วยเราถือว่าเรายังเป็นนักบวชอยู่ก็ได้ใครจะห้ามเราหรอือตอนนี้ฉันยังเป็นแม่ชีอยู่เพียงแต่ฉันไม่ได้ใส่ชุดแม่ชีนั่นเองฉันก็ยังเป็นปฏิบัติเหรือแม่ชีอยู่ฉันก็ยังถือศีลแปดศีลสิบอยู่นันก็นั่งสมาธิอยู่มันตาน่างกันตรงไหนอะไม่ต่างเลยค่ะจริงแล้วออใช่ค่ะแต่ก็ก็ ที่พอาจารย์เมตตาแนะนำก็มาคิดพิจารณาก็แบบเห็นเห็นมากขึ้นค่ะข <c oughs> อบคุณนะคะอาจารย์บางคนบางคนก็ติดรูปแบบบางคนต้องต้องบวชเป็นแบบเป็นแบบพิเนษนี้ด้วยนะถ้า บ, บ, บวชบแม่ชีเขารู้สึกว่ายังยังไม่เท่ยังไม่เก๋พอ <c oughs> ยังไม่สุดแลยค่ะ <c oughs> อันนั้นันก็เป็นกิเลสได้ไม่รู้สึกตัวอันนี้ได้คำตอบ ของตัวเองที่ยบบมันอยู่ที่การปฏิบัติตั้งแต่ตอนที่รู้สึกพอพอตอนที่รสึกเนะี่ยรู้สึกขึ้นมาปุ๊บมันมันก็มีคําตอบขึ้นมาเลยว่าเออนี่มันเราติดรูปแบบนะอันนั้นขึ้นมาก็หยุดนะะพระอาจารย์นั่นเหตุ น, นั้นฮะ <laughs> ให้ติดสติสมาธิปัญญาดี่กว่าอย่าไปติดอย่างอื่นนะครั <laughs> บะอาจารย์เรานําปฏิบัติค่ะแต่ก็ดีอย่างน้อยเราก็ฆ่ากิเลสตัวที่มันไปรัก หวงห่วงเรื่องผมได้อย่างที่ บ, บอกว่าถ้าปฏิบัติจจเดินขึ้นมากว่าแล้วผมมันก็จะสั้นลงไปเองพร า, มมาะมันรู้สึกลำคาเนี่ยมันกลายเป็นภาราที่น้องมาคอยดูแลรักษา <c oughs> อันนี้ <c oughs> อาบ น, น้ํำก็สบายไม่ไมต้องหาแชมพูแชมพูสบู่ก้อนนึงก็ใช้ได้สบายค่ะไม่ต้องดันดไม่ต้องเป่าให้มันแห้งอะไรเดี๋ยวมันแห้ง ดีคะ่ะอาจารย์เรื่ดีอนันโนโมธนาด้วยค่ก <ปะ S 1> ็ขอบอพระคุณอาจารย์ด้วยมากๆเลยค่ะค่ะจะเป็นไป ค, ค, ค่ะคืนทางนี่มันก็เป็นธรรมอีกทางมันก็เป็นกิเลสเนี่ยทางธรรมก็คือค่ากิเลสที่รักสวยรัก ง, งามได้แต่มันก็ไปติดสภาพอยากจะเป็นอย่างนี้อ่าอย่างจะเป็นแม่ทีไปค่ะแต่ก็ได้ ที่วันนั้นเวถามดีมากหนูว่าตัดใจแบบวมันเหมือนมันคำถามเล็กเลกเลน้อยหรือเปล่าแต่ไม่เลยกับเป็นแบบเป็นคําตอบแ ต, แต่ก็ไม่เป็นปัญหาเลยอยากจะบวชต่อไปอีกงา น, นเมื่อมันมีโอกาสก็ได้บวชเองอะใช่ไหมสาธุค่ะใช่ค่ะถ้าเราจะไปทางนี้ในที่สุดเราก็ต้องบวชอยู่ดีมันไม่ไปทางอื่นหรอกอ่าอีกงาตอนนี้มันยังอาจจะมีอุปสรรคยังไม่พร้อมที่จะไปในรูปแบบนั้นก็รอไปก่อนได้านี้ ทำทำาการปฏิบัติตามเองอใช่ค่ะพระอาจารย์โอเคนะถูกนะอโอเคไอ้ทีนน่คุณสันนี่แบงข่บวตาคุณซันนี้กลับนมัสการค่ะพระอาจารย์อ่อมฟังธรรมค่ะพระอาจารย์ไม่มีไม่มีคำถามค่ะโอเคอยันไปที่ลักซัมเบิร์คคุณปุ้ยใช่คุณปุ้ย ับนมันสการอาจารย์เป็นยังไงบ้างสบายดีค่ะพระอาจารย์คุณปุ้ยก็ปฏิบัติธรรมแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็ไม่มีคำถามอะพระอาจารย์เพียงแต่ว่าบางทีมันเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งได้นานนะคะก็ยังถือสิ่แปลเหมือนเดิมคือไม่กินตอนเย็นค่ะพระอาจารย์แต่ทีนี้โยมเป็น อะไรที่มันชอบมีอะไรมาติคอแล้วมันมีความรู้สึกเหมือนตัวงูหรืออะไรมันเลื้อยอยู่ในหูทีนี้โยมคิดว่าจิตโยมเนี่ยคิดไปเองคือโยมไปเอาเอาหัะไปใสเ่เอาไปใส่ไอหูฟังอะเอาไปใส่ในเนี้ยที่ที่มันไรสายอะแล้วทีนี้โยมก็ชอบฟังแบบนั่งสมาธิไปฟังเสียงอาจารย์อะพระอาจารย์อะค่ะแล้ว โยมมีความรู้สึกมันเหมือนอะไรว่ามันไต่อยู่ในหูเงี้ยและมันจะทําให้เราออกแต่สมาธิแต่โยมก็บังคับตัวเองได้น ะ, ะไม่ให้ออกพอเราออกมาพอพระจันทร์จะเทศเสร็จโยมออกมายมมาดูว่ามันมีอะไรอยู่ในหูแปลว่ามันก็ไม่มีเนี่ยคื อ, ค, อคือจิตโยมวิปริตไปปะไม่เรากิเลสมันชอบสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อให้เราเสียสมาธิตานั่นเองแล้วแล้วทําไมเวลาโ ย, ยมนั่งสมาธิมันชอบมีอะไรเหมือนมา ติดคอแล้วเหมือนใครมาบีบคอหอยโยมกิเลสมานไงกิเลสมานอ๋ออ๋อมยมยมก็คิดว่ายมไม่สบายยมก็บอกกับพระจันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนี่บอกคอ ย, ยังชั่วขึ้นมาและอยู่ๆเดี๋ยวมันก็เป็นมาอีกแล้วใ ช, ใช่ใช่ปัญญาหน่อยเสีเวลาอื่นทํามันไม่เป็นมัเนมเป็นเฉพาะเวลานั่งสมาธิก็ห่าง ย, ยมก็ยังคิดอยู่นะโอ้แขกที่มันก็ตอบมันก็ได้คําตอบนะ ไ, ได้ <laughs> กิเลส <laughs> หลอกเรานะ พระอาจารย์แล้วแล้วเวลาที่โยมมีสิ่งหนึ่งจะถามพระอาจารย์ว่ามันเป็นไปได้ไหมที่คนเราอ่ะเวลาที่พระอาจารย์เทศอะไรบางอย่างแต่โยมกลับได้ยินอีกเรื่องหนึ่งอ่ะมันเป็นไปได้ไหมอ่าถ้าเราไปคิดเรื่องอื่นมันก็ไปหนึ่งเลือกไปเปล่าเปล่ายมไม่ได้คิดนะพระอาจารย์แต่จิตมันคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดแต่จิตเราไปคิดไปหนึ่งเรื่องหนึ่งก็ได้แล้วมันเป็นจริงด้วย แล้วโยมก็ไปนั่งรีรีรีเทปที่พระจันทร์พูดเมื่ อ, อสิ้นปีที่แล้วอะ่ะแล้วโยมก็นั่งฟังพระจันทร์ก็ไม่ได้พูดนี่หว่าอ๋าอแล้วนางก็จิตเราพูดนจิตเรมามันก็มันเปิดเสียงเราแล้วก็เอาเสียงเสียงมันมาใส่ทับแทนโยมโยมได้ยินพระจานทร์พูดตัวเล็กจิตจิตมันเก่งนะมันมันมันมันตรงสายงานทุกอย่าง นีนี่โยมก็ไม่กล้าบอกกับใครเดี๋ยวโยมจะบอกกับพระอาจารย์แต่สัปดาห์ที่แล้วโยมก็กลัวพระอาจารย์ดุโยมโยมมือมัไม่ใช่สิแบบจิตโยมก็คงจะแบบกิเลสมันมันคงจะเยอะอ่ะเออฮะแต่โยมโยมก็พยายามนะขอพระพุทธเจ้าทุกวันเพราะว่าโยมตัดสินใจแล้วว่าจะเดินทางธรรมไงโยมว่าจะให้โยมได้ยินเสียงอะไรแปลกๆนะบบ แต่เวลาที่โยมสวดมนต์น่ะโยมเป็นคนชอบสวดมนต์เสียงดังพระอาจารย์แล้วทีนี้มันพอเราหลีเสียงลงมันก็เหมือนมีใครมาสวดกับเราทีนี้โยมเป็นคนโรกผัวผีอะมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไงพระอาจารย์โยม ม, ม, มีมาสวดกับเราปะวะยีนี้โยมก็เลยแบบคือคือตอนเนี้ความกลัวมันมีอยู่แค่สิบเปอร์เซ็นโยมก็เลยพูดว่าไม่ไม่ไม่มาสวดแล้วก็ไม่ต้องทาเสียงดังนะเดี๋ยวจะแผ่บุญให้โยมก็พูดแค่เนี้ แต่มันก็มันเสียงก็ก็เลยหายไปอ่ะอาจารย์ว่ามันมันเป็นไปได้ไหมที่ดวงจิตดวงวิญญาณมาสวดกับเราเนี่ยมันก็เป็นได้แล้วเป็นไปไม่ได้เราต้องพิสูจน์ดูรอดูไปเรื่อยเื่อยศึกษาไปเรื่อยๆยก็รับกันอ๋อแต่แต่นี้มันไม่ใช่เมืองไทยนะพอาจารย์มันไม่เกี่ยวหรออยู่ที่ไหนมันสามารถเข้าได้ทุกแห่งทุกคนอ่ะอืม นนันมันจะเป็นของจริงหรือไม่จริงนเราก็ต้องไม่เราก็ต้องศึกษาไปดึงไปเรื่อยๆพิสูจน์ไปก่อนลองถามคุยกับมันดูสิคุณมาจากที่ไหนถ้าอยากจะรู้จริงๆนะ อ, อ่ะอมยไม่รู้อ้าวอ้าว่นจะไรู้ได้ไงยมยมขนาดยมไม่เห็นน่ะยมยังกลัวเลยยมยมทะเลาะวิญญาณน่ะยมทะเลาะทั้งนั้นที่ยมไม่เห็นน่ะพระอาจารย์ S <S ตอนที่ยมย้ายเขามาใหม่ๆอ่ะลูกชายยมบอกว่าพีหรือเปล่ามามะเนี่ยยมก็เลยทะเลาะกับชวนผีทะเลาะเลยอ่ะยมบอกฉันกลัวนะต่างคนต่างอยู่นะฉันไม่ได้มาอยู่ที่บ้านเธอนะฉันจะมาสวดมนต์ไหว้พระยมก็บอกอย่างนี้เลยนะแบบมันเหมือนกับเราไปชวนเขาทะเลาะอ่ะเอ<ต>อ๋ยวต่อไปก็ปแผลไม่ตาไปนะต่างฝ่ายต่าง อ, อ, อยู่นะขอให้อยู่อย่างขอใ้สุขีอัตตาณังบริหารรันตุต้องมีสุรักษาตนเธถิด โยมก็แพ่ทุกวันนะวันนึงแผะไม่รู้จะ ก, กี่หนเลยตอนโยมนั่งสมาธิอภิาจาร์แล้วแต่ทีนี้บางทีอะโยมได้ยินเสียงกุกักกุกักอะไรอย่างเงี้ยโยม ค, คือคือกลัวด้วยความที่กลัวมากอ่ะแบบือเรานั่งสมาธิเราสวดมนต์ไหว้พระแต่ว่ามาตั้งตั้งสี่สิบห้าสิบปียโยมยังนิสัยยังที่กลัวผีอะกลัวไม่หายอะพรอาจารย์เนอะไอ้อตัวนั่นแหละเป็นตัวที่เชิญผีมาหาเรา ถ้าไม่กลัวผีดีมันไม่มาหผีมันชอบมาหาคนที่กลัวผีเออโยมยมก็บอกมุมก็บอกว่าไม่ไม่ต้องมาหานะไม่ต้องมาขอบคุณด้วยบอกว่าเนี้ยแผ่บุญให้แล้วไม่ต้องมาขอบคุณโยมจะบอกอย่างเงี้ประจําเลยโอเคแต่ก็แล้วแต่มันจะมาก็ปล่อยมันมามันจะไปก็ปล่อยมันไปเฉยเฉยไปดีที่สุดแ ต, แต่แต่ยมก็บอกนะบอกว่าถ้าจะมานะก็มาแบบสวยๆนะอย่ามามแบบแบบแบบแบบลูกกระตานหล่นไปข้างหนึ่งอะไรอย่างนี้ <laughs> ไม่คือโยมดูหนังมากจัดไงตอนเด็กๆกับพระอาจารย์ทีนี้จิตมันยังหลอนอยู่ค่ะพระอาจารย์โยมไม่มีอะไรแล้วค่ะโมยมมาจะถวายบุญกับพระอาจารย์โยมอะถือศีลแปดครบหนึ่งปีแล้วนะพระอาจารย์วันเงียนูสาธุจะค่ะแต่ยังคงทำต่อไปค่ะเพราะโยมตัดสินใจแล้วค่ะจะเดินทางทำค่ะเป็นก่อนจะหมดลมหายใจเลยนะ คะ่ะพระอาจารย์เอาอย่างน mm ี้ก็แล้วกันนะตอนกลางวันสิ่เจ็ดหลังหกโมงสิ <h h ่แปดนะคะพระอาจารย์ค่น้อมถอยบุญกับพระอาจารย์เจ้าค่ะโอเคขอผลบุญจบป้องกันไม่ให้ผีมาหานะจขอให้ขอให้โยมรวยๆนะพระอาจารย์จ้าสาธุจ้าจ้าขอให้พระอาจารย์ทาท์ขันแข็งแรงนะคะจ้าใบที่คุณยศสวัสดีกรุงเทพ สวัสบบดีเจนยศนาชการแล้พระอาจารย์คุณผู้ทราบความสดชื่นมากเลยค่ะก<ล>็จะมากับเรียนพระอาจารย์ค่ะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูจะขึ้นเขาค่ะพระอาจารย์ไปชา์จแบดค่ะไปกี่วันนะจริงๆวางแผนไว้ออกยี่สบแปดค่ะพระอาจารย์แต่วันนี้เพิ่งทราบเรื่องเรื่องด่วนต้องออกตั้งแต่เช้ายี่สิบเจดต้องถึงกรุงเทพภายในสิบมงครึ่งค่ะพระอาจารย์ก็เลยได้อยู่แค่ สอคยี่สิบห้าค่ะสองคืนก็ยังดีโอเคก็อยู่ไปค่ะก็หักเก็บตามไปดรื่ยๆหักคองานตัวเองมาค่ะพระอาจารย์งานก็ไม่เสร็จค่ะในการนั่งแต่งงานอยู่โอเคค่ะค่ะอาจารย์ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทันใส่บาทค่ะพระอาจารย์อาซาตุนไม่เสค่ะท่านนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์ขอบพระคุณค่ะอ่านี่เป็นหมอสุทัศนีที่ปทุมธานีหมอเป็นยังไงบ้าง ยังไม่ได้เปิดหม่กรรมการท่านประจารย์เจ้าค่ะสบายอาจปฏิบัติอยู่เหมือนเดิมนะปฏิบัติเหมือนเดิมทุกวนันเจ้าค่ะเรียบร้อยโอเคไม่มีคําถามอะไรไม่มีเจ้าค่ะวันนี้ได้ปัญญาแล้วก็มีกําลังใจเจ้าค่ะดีจ้ะลาสือยินไปที่คุณพัชราภรกับคุณเลโอที่ประเทศสเปนเกาะเอวเวอรา ที <Reese? S 3> ah. ่มามิาจัดนิทรการหลวงตาครับวันนี้ไม่มีตาเสกันที่ในสระันกับรันัาทิตนี้ครับกบรัรับรนันพ่ปิดเียงตรอปิดเชียงไงเจ้าค่าหลวงพ่อโอเคโอเคหลวงพ่อเจ้าข่าวันนี้ลูกขอความเมตตาหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อช่วยอธิบายคาว่าจิตเหนือกิเลสนะเค่ะ อ่า อ, อันนี้อันนี้อันนี้จิตเราอยู่ใ น, นี้จิตเลยทําไมเสียงมันสะท้อนกลับมาเลยหายไป้วก็เราปฏิบัติเพื่อให้เราควบคุมกิเลสให้ได้เนี่ยตอนนี้จิตยังอยู่ภายใต้กิเลสอยู่ไม่ได้อยู่เหนือกิเลสกิเลสยังสั่งจิตให้ไปทำนู่นทํานั่นทํานี่ได้อยู่ต่อไปจิตต้องเหนือกวากิเลสไม่ให้กิเลสสั่งการต่อไปไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้ใหลง เจขาข้าขาขหลพอิตเหนือกิเลสก็ต้องเป็นพราอรหัเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจิตเหนือกิเลสเจ่าเพราะว่าพอดีเมื่อวานลูกคุยธรรมะกับน้องที่ตรอนโตก็คุยถึงหลวงพ่อเพราะาเคยพาเขาไปกราบหลวงพ่อก็คุยกันเรื่องวางวางวางสังขารอะไรอย่างเงี้ยเจ้าข้แล้วก็อพอดีลูกก็ ก็ขออนุ ญ, ญาตนะประกาศก็เลยก็เลยบอกโอ้ยหลวงพ่อเขาก็ถามว่าหลวงพ่อเป็นยังไงอะไรเงี้ยลูกก็วหลวงพ่อท่านลาหมดแล้วจิตเนี่ยกิเลสอะไรเงี้ยวางละหมดแล้วอะไรเงี้ยลูกก็ก็อธิบายแล้วเขาก็เลยถามลูกว่าแล้วจิตเนี่ยกิเลสคื อ, อยังไงแล้วลูกก็อธิบายไปแล้วก็เออเดี๋ยวเราพูดไม่ถูกก็เลยมาถามประกาศขอให้หลวงพ่ออธิบายอีกทีเดี๋ยเผื่อพูดผิดพลาดไปสจ้ครับพรลูกจําได้ว่า เมื่อห้าปีที่แล้วหลวงพ่อพูดคํานี้กับลูกเจ้าค่ะอืมก็คือเราปฏิบัติกันทุกคนนี้ก็เพื่อเอาชนะกิเลสนะถ้าเราชนะกิเลสเราก็อยู่เหนือกิเลสนะเจ้าค่ะหลวงพ่อเจ้าค่ะเราคือจิตแล้วไม่ใช่ร่างกายที่เราที่ปฏิบัตินี้คือจิตเป็นรูปปฏิบัติเราต้องต่อสู้กับกิเลสอยู่ใช่ไหมเจ้าค่ะจนกว่าเราจะชนะมันถ้าเราชนะเราก็อยู่เหนือกิเลส ถ้าเรายังแพ้มันอยู่เราก็ยังอยู่ใต้กิเลสอยู่ใต้อำนาจของกิเลสนี่จ้าค่ะกาบสาทุอาโมธนาเป็นสัจ่กาทุจกค่ะไม่มีอะไรนี่ไหมมีอะไรมีอะไรจ่าคอยหลวงพอมีท่าแขนแข็งแรงจงค่ะอ่าใช่จ้าจับอังกฤษวันอาทีค่ะันอทิตคุณซาลินทานจาคุณซาลินทานแมรแลน แบบมรดการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ยมส บ, บายดีเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้ยมเข้ามาเติมกำลังใจอ่ะค่ะแล้วก็เข้ามากราบพระอาจารย์เจ้าค่ะทำงานไปด้วยเนี่ยทำงานที่บ้านอย<ำ>ู่พระอาจารย์ทำงานไปด้วยค่ะดีนะเจ้าดีนะไม่ต้องไปทำงานที่ <c oughs> ที่ที่ทำงานพระอาจารย์ก็วั น, ว, นวันอื่นก็ไปที่ทำงานค่ะแต่ว่าวันพุธนี้ขอทำงานที่บ้านค่ะอ่าเขาก็ให้ให้ อ, อนุ ญ, ญาตให้ทำได้นะ ค่ะพระอาจารย์จะได้ฟังธรรมนะคะเพราะบางทีทางอัติที่ผ่านมามันมีแต่เรื่องวุ่นวายต้องเข้ามาเคลียใจนิดนึงอะค่ะแล้วก็เติมกำลังใจะะอะค่ะอ่าดีได้ผลดีหมเออก็ก็ปฏิบัติอะค่ะพระอาจารย์แต่เหมือนกับว่าตอนที่โยมปฏิบัตินั่งสมาธิโยมนึกว่าตัวเองทำไปดีกับพระอาจารย์แล้วก็พอนั่งไปสักพักนึงก็ เหมือนกับคิดอะไรขึ้นมาได้ว่าจะต้องลุกขึ้นมาทำอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ออกมาเลยเรถึงมารู้ตัวว่าเอา้าที่เราคิดว่าเราปฏิบัติได้ดีนี่เราไม่จริงนะคะเราหลอกตัวเองอประเมินตัวเราสูงเกินไปเออค่ะเราเราเราเข้าใจตัวเองผิดอะค่ะก็คิดว่าเอา้ยตอนเรานั่งนี่มันมันช่างสงบมันช่างดีอะไรจริงแต่พอผ่านไปได้ชั่วโมงนึงมันก็หมดกำลังมันก็หลุดออกมาค่ะอาจารย์ก็ต้องทำไรๆ เที่ยวทำทำบ่อยๆอย่างค่ะอาจารย์ไม่เป็นไรขอให้เราทำไปเรื่อยๆกั น, ก น, อนรอาจารย์แต่โยมก็ไม่ไม่หยุดนะคะแต่เพียงแต่ว่าโยมรู้สึกว่ามันยังมันยังมีสิ่งกระทบมากมายที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแล้วก็เรายังกําหนดไม่ทันเรายังมีสติที่ไม่ไม่พอเราบางเรื่องบางอารมณ์นี้เรายังเหมือนกับวันไหนที่พลาดเงี้ยมันก็ไม่มีอุเบกขาแล้วเราก็จะยังหงุดหงิดกับเรื่องรอบๆตัวเล็กๆในน้อยๆ่ะคะ ก็ยังเป็นอยู่แต่ก็ยังไม่หยุดปฏิบัต okay. ิค่ะพระอาจารย์อืมนี่ทำไปเรื่อยๆนะครับนมลูกพิการไปค่ะพระอาจารย์ก็สู้ต่อไปค่ะจนกว่าจะถึงวันที่เราสามารถทําได้จริงๆนะคะอ่าโอเคสาธุจ้าขากลาบพระอาจารย์นะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้เอ่อจิตไม่แน่ใจว่าเขาเข้ามาหรือเปล่าอะค่ะอ๋อขากลับค่ะถ้างนั้นก็เดี๋ยวให้เขากลับพระอาจารย์อีกนะคะขอบคุณพระอาจารย์มากนะคะที่ตั้งสอนอสาธุจุ๊จ้า วันที่คุณตายพัะยจ้าคุณตายเอนตัดผมสั้นน้องว่าลยน้องกลับนมัสการค่ะพระอาจารย์ตัดสั้นได้หลายที่แล้วครัพระอาจารย์แต่ไม่ได้ไปเข้าเข้าไปกล่าวพระอาจารย์ที่กุฏิไม่ได้ไปฟังธรรมเลยช่วงนี้อุเบกขาหายไปหมดเลยครับพระอาจารย์ <laughs> งานก<ต>็เยอะ<ต>ยสินยังสินยังไม่หายนะอุเบกขาก็สินยังไม่หายไปด้วยนะ ค่ะก็ยังปฏิบัติก็ปฏิบัติวันพระอาคาพระอาจารย์ต่ยังได้ทำอยู่ต่อเนื่องอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็ศีลห้าก็ยังรักษาอยู่เต็มที่นะเต็มค่ะศีลห้าก็ได้เต็มเต็มอยู่ศีลแปดก็เต็มอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าไม่ได้ไปฟังธรรมแล้วก็ช่วงนี้อุเบกขามันหายไปหมดเลยค่ะพระอาจารย์หนูจะเรียนว่าเมื่อเมื่อวานนะคะเมื่อเมื่อวานหนู แบบว่าหนูเปนคนชอบซื้อที่ใช่ไหมคะอาจารย์ก็มีคนเอาที่สวยๆมาให้แบบอุ้ยมันถูกนะถ้าเราซื้อไว้เก่งกําไรนี่ต้องได้แน่ๆหนูก็ไปวางมัดจาเขาพอวางมัดจาเขาเพราะความอยากแต่แล้วหนูพอวางมาัดจาปุ๊บปังไปถึงมือคนที่รับมัดจำไปแล้วแล้วหนูก็บอกโอ๊ยจะซื้อมาทําไมเนี่ยเอามาทูกอีกแล้วเอามาแบกอีกแล้วแล้วหนูก็กว่าให้จะเอามาทําอะไร แต่แล้วหนูก็เริ่มเนี่ยไม่อยากได้แล้วแต่เสีย ด, ดายตังที่ที่เอาไปวางมัดจำเขาค่าาะพระอาจารย์ก็เลยภาวนาในใจ ว, ว่าสาธุขอให้เขามีมีเรื่องที่จะต้องคืนเงินมัดจำนะแล้ววันเนี้ยหนูไปให้เขาไปวัดที่ดูว่าหน้าที่มันกว้างเท่าไหร่อะไรเงนี้ยค่ะพระอาจารย์ก็ปรากฏว่าไปหาเขาเขาไม่ขายพอดีหนูก็อุ้ยดีใจมากเลยเขาไม่ขายเขาก็คืนวัดจําให้หนู เันก็เลยแบบรอดแล้วไม่ได้ซื้อแล้วดีใจจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์มันไม่ทันสติไม่ทันนะคะอ่าให่เวลาฝึกต่อไปเ๋าก็มาให้ทำทำยังไงดีถ้าอย่างนี้ถ้านหน่าหนูไม่ได้ไปเข้าไปฟังทำเป็นเดือนนี่หนูแย่เลยคะพระอาจารย์นี่สามอาทิตย์เองหนูรู้สึกว่าเบกค่หนูแบบไม่เหลืออะไรเลย Pokémon> จะทํายังไงดีครับอาจารย์ถ้าเราอยู่ก็ฟังที่บ้านก็ได้หนึ่งก็เปิดเนี้ยก็เข้ามาในซูมแล้วก็เปิดทุกวันมีถ่ายทอดสดทุกวันก็เปิดฟังไปเรื่อยๆทํางานไปก็ฟังไปดีกว่าไม่ได้ฟังชค่ะช่วงนี้ลูกน้องตั้งแต่ปีใหม่มาลูกน้องคนหนึ่งเนื้องอกในสมองพระอาจารย์นั่งสารเข้ามากเลยเป็นคนที่อทําบินและก็ขายของให้หน้าร้านนะคะ แล้วก็อีกคนเขาก็ลาออกไปตอนนี้หนูก็ยังไม่มีขาดไปสองคนหนูก็เลยต้องทํางานแบบเยอะมากเลยก็ไม่ไม่มีเวลาที่จะเข้าไปหาพระอาจารย์แต่ก็อย่างพรุ่งนี้วันพราใหญ่หนูก็ยังยังนึกอยากอยู่แต่จะไปได้หรือเปล่านี่นยังคิดอยู่เลยพระอาจารย์ว่าจะ <c oughs> มีเวลาปิดตัวไปหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามอยู่ในซูมนะคะคง <c oughs> ถ้าไม่ได้ไปไหนก็จะไป ได้ไดก็มีถ่ายทอดสดเช่นเนี้ยบ่ายสองโมงก็ฟังที่บ้านก็ได้อาหาเวลาสักชั่วโมงขอไว้ขอพักชั่วโมงหนึงฟังเทศฟังธรรมหน่อยเจ้าค่ะอาจารย์ <c oughs> จะพยายามค่ะ <Okay. S 2> วันนี้ก็ไม่มีอะไรเลย่าเล่าเรื่องว่าอุเบกขาวันนี้พระอาจารย์ให้เรื่องอุเบกขาพอดีเนื่อ น, นใจโอ้เหล่านี้อุเบกขาหายหมดเลย <c oughs> ต้องต้องเรียกกลับพืนแล้ว ไม่เป็นไรต้องต้องอย่างน้อยรู้สระรู้ว่าเป็นยังไงแล้วเราจะได้แก้ไขได้นะะแต่ตอนเช้าอ่ะเขาบอกเลิกสัญญาว่าไม่ไม่ขายแล้วแล้วพอตอนเย็นเขามาบอกกับพี่สาวว่าเอ้าเอาราคาที่ตกลงกันไว้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่คือจะขายจะขายกลับมาขายเหมือนเดิมจะทำไปทำสัญญาใหม่หนูก็บอกเอยเดี๋ยวเดี๋ยวคิดก่อนหนูว่าเดี๋ยวคิดก่อนจะไม่เอาตอนนี้ยังไม่อยากเอาหนูก็ เ, เราหลอดมาแล้วนะเราจะกลับไปกันเหรอโง่สองเท็จโง่สองทีนะใช่ค่ะเราก็เลยแบบว่ไม่เอาละวก็บอกพี่สาวไม่เอาแล้วนะบอกเขาว่าไม่เอาละทยทางทางโงครั้งแรกก็น่าสนใจท่านะโง่สองครั้งก็น่าสมเพศน่าสมนุ่มน้าถามพ่สาวหนูทุกข์มากเลยอยังไม่ทันแบบว่าลืมแล้วลืมทำไม ลืมทุกไปแล้วพอเขพอเขาเปลี่ยนใจแล้วก็ลืมทุกไปอีกนะค่ะแต่แต่แตนูไม่เอาค่ะแต่พอตอนแรกว่าอยากได้พอได้จะเป็นเจ้าของกลับมาก็บอกว่านึกถึงคําำอาจารย์เลยได้มาแล้วก็เป็นทุกแล้วใครจะเป็นอยู่แล้วใครจะมาดูแลก็ลต้องทุกกับตัวเองเข้าไปใหญ่อันนี้แหละค่ะหนก็เลยว่าก็ยัดยงดีที่นึกถึงคำสอนได้ อันนี้จะไม่มีอะไรแล้วค่ะพระอาจารย์หนูล่าให้พระอาจารย์ฟังพยายามฝึกสติเยอะๆนั่งสมาธิบ่อยๆแล้วอุเบกขาจะมีมากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์กราสาธุเจ้าอ่บไปที่คุณฟางว่าอะไรศีราชัยฟังว่าอะไรขลังนมัสการธนกรเจ้าค่ะหนูล่าออกแล้วจ้ะค่ะเออ วันนี้ค่ะแต่ว่าก็มีผลสองเดือนอทนี่ฟังจากคุณบังอ้นนะคะก็เหมือนกับฟังฟังไว้เป็นฟังไว้เป็นแนวทางอะ่ะตอนน่าจะงานสำรองซึ่งอาจจะทำง่ายๆหรือฟีแลนซ์อะไรเงี้ยค่ะใช่ทำไปแบบเมื่อรมีเวลาให้กับการปฏิบัติมากขึ้นเพราะเงินทาเราไปไม่ได้เงินเดือนที่เราทำแล้วเอามาเอามาก็ไปให้คนอื่นก็ใช้หมด ท่านี้เอาเวลามาหาหาทรัพย์ภายในยก็ไม่เลยไม่ได้หาทรัพย์ภายในยกันน้องชายหนูเาก็แบบ ก, ก็วันเสาร์ที่ผ่านมาไปไปดูบ้านที่ที่สระบุรีค่ะแล้วเขาก็เหมือนกับแบบพยายามหางานงานพัฟทําฟรีแลนซ์เลยเพราะแมวสปิงขายหนูก็แบบโอ้ยตายละมันมันจะแบบมันจะเป็นภาระเราให้เรามาต้องมาดูแลอะไรเงี้ย อ, อย่าไปทํางานที่เกี่ยวชีวิตของคนอื่นนะไม่ดีค่ะก็ก็ก็คิดว่าก็เลยพอดีฟังของเคสคุณบางอ่อนเมื่อสักครูะคะ่เนี่ยค่ะก็คิดว่าเออทํางานทํางานที่มันไม่ต้องไม่ต้องมาเสียเวลาทั้งทั้งหมดไงหรือว่าตําแหน่งเล็กๆเพื่อเลี้ยงชีพก็น่าจะพ อ, อก็เพิ่งจะได้เมื่อสักครูะคะ่เนี่ยค่ะแล้วก็เมื่อวันเหมือนมื่อเมื่อหนูก็เครียดนะคะเรื่องเรื่องงานเนี่ย วันอาทิตย์หนูก็บ่นงงยิ่งงงยิงง่งหลังนั่งสมาธิเสร็จเหมือนคุยกับพระอาจารย์อะอธิษฐานคุยคุยภาวันจันทร์หนูไปเจอพระอาจารย์ตอนใส่บาตรหนูก็ตกใจที่พระอาจารย์บอกว่าแล้วยอมไหมล่ะหนูก็ค่ะเรายอมไหมล่ะหนูก็เลยบอกอ่อยอมค่ะอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนก็บแบบเหมือนเหมือนมันมันเดจาวูอะบ่นบ่นแล้วเหมือนพระอาจารย์รู้อะไรเงี้ยหรือไม่รู้หนูก็ไม่แน่ใจนะ แต่ว่าก็ก็อันเนี้ยค่ะที่ที่พระอาจารย์ถามว่ายอมไหมลาหนูก็เลยตัดสินใจว่าวันเนี้ยค่ะไปขอลาออกแล้วก็เขาก็ไม่ให้อ่ะแต่ว่าหนูก็ยังยืนยันว่าหนูขอออก่เงี้ยก็น่าจะเป็นประโยชน์ที่ดีค่ะถึงแม้ว่าจะไม่มันมันนิดนึงแต่ว่ามันก็ยังได้ยังเป็นยังเป็นเหมือนผู้ตายก็แล้วกันจะเปลี่ยนใจเสียดายงานนี้ก็ก็กลัวอยู่นะคะกลัวอยู่นะฮะว่าว่าเหมือนก็ ก, ก็มีคนออฟเฟอร์เรื่อยๆเลยไนงะก็ก็คิดว่าไม่ไม่เอาอะไรที่มันหมายุ่งยากทำให้มันง่ายๆงายเงินเดินน้อยๆพอไนงะจะไต้ไม่ปวดหัวเป็นที่ปรึกษาทำงานที่ละ ว, วันสองวันอย่างนั้นได้จะดีค่ะหนู ก, ก็จะพยายามหาแบบน่้จ้าค่ะก็ฝึกปฏิบัติต่อไปนะเจ้าค่ะไม่ไม่ท้อไม่ถอยค่ะดีทำนี้มีมีคุณค่ายิ่งกว่าสิงทั้งหมดในโลกนี้นะ ต้นแข่งทำชนะรถทั้งปวงหมูยังมีเวลาอีกสองเดือนแจ้วค่ะได้ได้ได้ไปเจอพระอาจารย์แล้วอะไปเรียนทำมากขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นน่าจะเป็นซู์แล้วค่ะโอเคอขอบพระคุณไปดีคุณพิสิทธ์สกลนครพิสิทธมีอะไรั้ย ก, การนมัสการพระอาจารย์ไม่มีครับพระอาจารย์ครับแนาวไม่สกลช่องนี้ เอ่ออากาศเริ่มเย็นลงครับเย็นลงนะโอเคถ้ า, ถาไม่มีอะไรก็ขอไปก่อนนะครับอาจารย์หมดมานานนะเวลาแลสวัสดีคุณจี๊บที่แมรี่แลนด์อาิารย์คุณจี๊บขอบคุณมากเจ้าค่ะอาจารย์อาจารย์สบายดีนะคะอ่าสบายดีจ้ะยมหายโควิดแล้วค่ะพระอาจารย์มันใช้เวลา13วันนะคะก่อมันจะเป็นนิเกทีฟอืมไม่รู้ทำไมมันนานเหมือนกันค่ะอาจารย์เลยแบบเออ อาจจะมีเย <laughs> อะมั่งสงสัยค่มันมาครั้งแรกมันเป็นครั้งแรกมันในโจมตีหนักมากเหมือโยมก็นั่งโยมก็นั่งแบบพอยลานั่งสมาธิโยมก็คุยกับเขานะว่าเอ่อเชื้อโควิดไข้หวัพูดจริงๆว่าเออเรานั่งทําบุญอะไรก็ขออุทิศได้วิ่งแล้วมีตัวตดหรือเปล่าก็งลยไม่รู้ว่าเขาคงอยากได้รับบุญเยอะๆหรืเปล่าเขาเลอยู่กับโยมนานว่างเลย ก็ไม like okay. okay. ่ม uh ีอะไรค่ะรอาจารย์ก okay. yes. okay. okay. okay. okay. ็พยายามปฏิบัติเลยมไ้ยค่ะรอาจารย์โอเคขอข้าพ้าไปสาธุค่ะอาจารย์สาธุค่ะขอบคุณในพรันประเสริฐขอพระอาจารย์นะคะขออาจารย์ท่านแข็งแรงเจ้าค่ะสาธุสาธุค่ะโัยที่อาจารย์พนิดาเชิญอาจารย์ค่ะพระอาจารย์ค่ะ ก็คือ <le ans> <ator> ฟังเรื่องของทุกๆคนมาตลอดหลายชั่วโมงเนี่ยก็รู้สึกเอามาคิดในตัวของตัวเองค่ะก็จริงๆหนูก็เหมือนพี่ๆคนอื่นๆนะคะก็คือเรื่องร่างกายไม่มีอะไรตัวใจก็พยายามฝึกฝึกปฏิบัติทุกเช้า <compile> แล้วก็เย็นนะนะคะแต่พอมันเป็นปัญหาเรื่องของงานนะคะประจัรย์ เหครั้งที่แล้วที่ได้เรียนให้พระอาจรารย์ทราบ่ะคือเราลองทํางานนะคะแล้วก็มันก็จะมีเพื่อนที่ทํางานด้วยกันไม่ได้มีเมตตาธรรมต่อกันนะคะพระอาจารย์แล้วก็ด้วยปัจจุบันที่เนื่องจากหนูสอนหนังสือะคะ่ะเด็กๆในในยุคใหม่อะค่ะพระอาจารย์ถามมันไม่เหมือนสมัยพวกหนูเป็นเด็กนะคะพระอาจารย์ก็ก็แสดงกิริยาท่าทาง แล้วก็ใช้คําพูดหลายๆอย่างอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มันเลยทําให้หนูรู้สึกหนูไม่อยากจะจะทําอาชีพนี้อีกแล้วอะไรทั้งๆที่ก็สอนมาปีนี้เป็นปีที่ยี่สิบอะค่ะแต่รู้สึกว่ามันมันไม่อยากจะจะอยู่อีกแล้วอะไรเงี้ยพระอาจารย์แต่ก็ยังมีภาระที่ต้องดูก็คือมีแม่แล้วก็มีลูกค่ะแล้วก็ก็ยังไม่กล้าออกจากงานนะพระอาจารย์แต่จริงๆก็คืออยาก อยากไปบวชอย่างพี่พี่ท่านอื่นๆเหมือนกันแล้วใช่ไหมค่ะคือเรายังต้องทําอยู่แล้วก็ปรับทัศนคติของเราหน่อยก็ยาอมแล้วว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วโลกของเรากับโลกของเขามันคนละโลกนะถ้าเราจะอยู่กับเขาเราก็ต้องปรับตัวเราให้รับกับความเป็นจริงของเขาให้ได้ท่งนเองนะเขาเป็นอย่างนี้เราจะไปห้ามเขาได้ยังไงไปเปลี่ยนเขได้ยังไงก็ปล่อยเขาเป็นไปแล้วกันเรามีหน้าที่สอนก็สอนไป แต่ก็โดนถ้อยคำหลายๆอย่างครับอาจารย์ไม่สบายใจต้องหัดทำใจโลงมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนเด็กนักเรียนให้ความเคารพกับครูบาอาจารย์มากอย่างนี้ก็จะไปในแนวแบบฝรั่งแบบสากลแบบว่าเหมือนเราเป็นลูกจ้างเขาเซ็นได้ซ้ำไปเขาจ้างเอามาสอนเรามีคำภาษาไทยที่หนูคิดได้คือเป็นกรรมกรสอนหนังสืออานั่นแหละ นา่นคือคตัศนะสติของคนสมัยนี้เพราะไม่มีคนสัสอนมาตั้งแต่เด็กไม่สอนเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องอะไรต่างๆเรื่องสูงเรื่องต่ำเด็กสมัยนี้ไม่รู้ไม่รู้จักทำที่จำควรรู้อยู่เจ็ดประการที่เรียกว่ารู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะรู้รู้ความอะไรกันข้อสุดท้าย รู้ความพอดรีรู้จักประมาณเอย่าสมัยนี่เป็นธรรมะที่สําคัญถ้าขาดนี้แล้วก็มนุษย์เราก็จะทําตัวเหมือนกับเหมือนกับสัตว์ในราชาเนี่ยพูดง่ายๆไม่รู้ที่สูงที่ต่ําไม่รู้คนที่มีคุณมีโทษเป็นไครบ้างยังไงพ่อแม่ก็ไม่ก็ไม่ไดมองเคารพพ่อแม่ไม่มีความกระตันยูต่อพ่อแม่เลยพราขาดหลักธรรมเหล่านี้ซึ่งเราไม่สอนเด็ดเอง เราลดเยอะเรายกเล ก, กันไปเอนสมัยก่อนเขาสอนคุณธรรมเหล่านี้ให้กับเด็กนักเรียนนะสมัยนี้เขาไม่สอนนะเขาอะไรเพตรต้องการเราวิชาการมากกว่าแล้วหนู่เป็นคนรุ่นเก่าเาจะ<ม>เรียกว่ากาังเก่ลกังใหม่ค่ะอาจารย์ค่ะเวลาเราสอนอะไรที่ที่ในยุค ข, ของตัวเองไงค่ะเด็กๆ ก, ก็จะหนูอนกับว่าเราไม่มีความรู้กับเรื่องใหม่ๆที่เขารู้ไงค่ะใช่ใช่ ใช่เราเปนวโบราณแล้วเป็นคนหัวโบราณเนี่ยถ้าเราอยากรู่กับเขาได้ก็เรากต้องปรับตัวเรายอมรับกับความคิดเห็นของเขาไปเราอย่าความคิดความคิดของเราที่ดีเราก็เก็บไว้แต่เมื่อเราเอาไปมอวให้เขาไม่ได้เราก็อย่าไปอย่าไปยุ่งกับเขาปว่เข้าไปคำที่เจ็บปวดที่สุดก็คืออ่ใช้คําว่ามัวแต่สวดมนต์อยู่นั่นแหละาเนี้เจอแล้วก็ อีกทำหนึ่งก็คือแล้วถ้ามันมีคนไม่ชอบการสอนของเธออีกละ่ะจะทำยังไงคือมันมันคำพวกเนี้ยค่ะมันมันวนอยู่ในสมองของหนูแล้วก็หนูอยากจะสลัภาพบาปกับพระาจ้านะคะวันก่อนเมื่อสองสามวันที่แล้วหนูเอากันไกลจะแทงคอตัวเองนะพระเจา้าหนูขอบนี้ายประวัตลนาะ นนี้เนะค่ะเพื่อไทยบาปของตัวเองเราหนูกะโทรหาสามีซึ่งเขาอยู่ต่างจังหวัดหนูก็ไปายาม่าแต่ว่าหนูบาปแม่ไปซะงาแต่หนูก็ล้มแล้วก็ตั้งสติได้แล้วก็ลุกขึ้นมาบอกว่าต้องอยู่ต่อให้ได้ภายใต้สถานการณ์นี้มันเป็นอยู่ค่ะอาจารย์ มันอยู่ในสมองของหนูค่ะต่อให้หนูพยายามนั้งสมาธิสวดมนต์ต้องก็าตามทั้งเช้าทั้งเงยน็นนั่งสมาธิมันก็ยังวนกับตาเราต้องยอมรับความจริงไงว่าโลกมันเป็น อ, อันิจจังมันเปลี่ยนแปลงไปอานัตตาเราห้ามการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถ้าเราอยากรูอยู่กับโลกที่เปลี่ยนแปลงเราก็ต้องยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงไปเท่านั้นเอง คืออย่าไปหวังอะไรจากใครอย่าไปหวังให้เขาจะต้องเคารพเรามีความสำนึกในความในบุญคุณของเราอะไรเนี้อย่าไปหวังแล้วแต่เขาถ้าเขามีจิตสำนึกก็เป็นเรื่องของเขาก็ต้องต้องมองอย่าถ้าเราเป็นถ้าเราเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นอาจารย์นะจะมองเหมือนก็สอนสุนักอะ่ะเราอย่าไปหวังอะไรจากสุนักมากไม่ได้หล้วก็สอนมันให้มันรู้จักกระโดดให้มรู้จักยกขา ทำอะไรต่างๆไปส่วนมันจะเห็นว่าเรามีบุญคุณกับมันหรือไม่ไมัน ไ, ไ, ไม่ต้องไม่ต้องไปสัไม่ต้องไปสนใจที่ว่ามันการทําหน้าที่ของเราไปเราไม่หน้าที่ให้ความรู้กับเขาไปก็ให้เขาไปส่วมันก็จะส่วนัวนาจะเห็นบุญคุณเห็นคุณค่าของเราหรือไม่เนี่เราก็หวังว่าอะไรจากเขาไม่ได้ถ้าหวังแล้วเราจะเสียใจเวลาไม่ได้ดดังที่เราหวังค่ะพระอาจารย์ นูพยายามอยู่ค่ะพัชร์ทนหนูหนก็เลยรู้สึกว่าหนูเป็นบาปมากที่หนูทาในสิ่งที่ไม่ควรทำนะคะพจาร์เราขาดปัญญามากกว่าเราขาดปัญญาอยูขาดสติเลยค่ะขาดสติขาดปัญญาใช่ค่ะพัชร์ปัญหาไมปัญหามันไม่อยู่ที่ร่างกายปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราความอยากให้เขาเป็นเป็นไปตามที่เราต้องการพอเขาไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็เลยเสียใจอันนี้ เพนาะหนูชอบติดคําว่าลูกอะค่ะเพราะฉะนั้นก็หนูจะชอบเรียกลูกศิษย์ทุกคนว่าลูกแต่กลายเป็นว่าคํานี้เป็นดาบสองคมที่เท่ามาทิ้มแทงในหัวใจก็คื อ, อ, อเขาไม่ได้มีพออ่อแม่มเป็นหนูเพราะฉะนั้นอย่ามาเรียกว่าลูกอืมหนูก็เพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าบางทีคําพูดบางอย่างที่เราคิดว่าเราเมตตากับเด็กแต่คําเหล่านั้นมันไม่ใช่คําเมตตาของเด็กอีกต่อไปค่ะ โือเฉพาะช่วงโควิดที่ผ่านมาที่หนูต้องสอนออนไลน์แล้วพอกลับมาเจอเด็กๆเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเด็กในในมิติที่เราคิดว่ามันควรจะเป็นนะคะอาจารย์เราเจ็บปวดค่อนข้างเยอะค่ะอาจารย์รอ่ะเราต้อปรับทัศนคติของเรานะอย่าเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้แล้ว เวลาพาดในมินทบาทบันทีก็ยังทำไปมองไม่เห็นจะเดินชนพาต้องหลบแทนก็มีบางคนมีก็เห็นว่าส่วนหนึ่งที่ที่เห็นเปลี่ยนไปในโลกของสื่อออนไลน์ที่เด็กๆใช้โทรศัพท์มือถือประจำค่ะชั้เขาจะมีคนที่มาล้อเรียนพระพุทธศาสนาแล้วก็เลยนนทำให้มันเข<ช>นเของเขาเราห้ามเขาไม่ได้หรอาอยากทำายการเร่องของเขาไป เลยทําให้เวลาที่เราปฏิบัติธรรมหรือเราเราเราเราแสดงตนว่าเราเป็นพุทธมามกะอย่างเงี้ยค่ะมันกลายเป็นสิ่งที่คนพวกนี้มองว่าเราเป็นคนแปลกประหลาดไปเลยอะค่ะอาารย์คนงมงายใช่ค่ะคนเราเป็นอย่างนี้อยคนงงาคนง้อไม่เป็นไรน่าแตกเขาเรารู้ว่าเราเป็นอะไรก็พอปัญัาเนาะนะ เวลาใกล้จะหมดแล้วคุณอาจารย์อาแค่นี้กนนะก่อนสำคัญก็ต้องรักษาชีวิตเราไว้นะ่อย่าไปทําลายมันมั น, ม, นมันจะเป็นการแก้ปัญหาแต่อย่างใดฆ่ากิเลสผู้เจ้าบอกให้ฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าคนส่วที่เป็นปัญหาก็กิเลสความอยากของเรานี่แหละนะโอเคเห็นไปที่คุณหมอนัทวุตเตอคุณหมอเจอชั้นๆหลายคุณหมอใกล้จะหมดเวลาแล ไม่ไม่มีอะไรครับวันนี้มาฟังธรรมครับอะออสบา ย, าย ด, ดีนะสบายดีครับ อ, อจุดสรงนะโอเคครับไปที่คนเกิดบัณฑิตคนสุดท้ายเอาเอคนสุดท้ายบัณฑิตใช่เกิดว่าไหมมีอะไรไหมราชการครับไม่มีครับแต่ก็อยากเป็นกําลังใจให้ ค, คุณครูท่านประเกียร์ครับตัวตัวก็มีลูกชายก็จะสั่งสอนให้เขามีมารยาทแล้วก็เคารพศีลคนอื่นครับ มันอยู่ที่พ่อแม่เลยนะพ่อแม่ไม่ถ่า ส, สารลกูกแต่เข้าใจครับเพราะว่าผมอบรมเรื่องเลี้ยงลูกก่อนครับเขาจําเป็นถ้าเกิดเราไม่ได้ปลูกฝังตั้งแต่เด็กเขาจะไม่มีสมองในการควบคุมอารมณ์แล้วก็เออจะเป็นเด็กที่แบบก้าวร้าวครับอาจารย์แล้วไปอยู่กับกลุ่มก้าวร้าวด้วยกัน ย, ยิ่งช่วยกันใหญ่เลยนะช่วยยุโยงกันใหญ่เลยครับอืมนี่ก็เพิ่งหายังไม่ดีขึ้นครับเป็นหวัดกันทั้งบ้านครับอาจารย์อ ครับก็ขอทัดทัดแขนทัดแขนแขแข็งแรงนะครับโอเคถอเร็วนะครับขอบคุณครับขอบพคุณครับอาจารย์โอเคก็คิว่าคืนนี้เวลาหมดพอดีก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจารณานะไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในทางยิ่งขึ้นไปเทิด